สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมเชิญท่านค้นหาคำตอบแห่งอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ความจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีฤทธิ์มีอำนาจมากสามารถที่จะบรันรดาลให้คนเราเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นสิ่งเร้นลับมองด้วยตาม่เห็นจับต้องไม่ได้นั้นมีอยู่จริงจและช่วยเหลือเราได้จริงจริง สิ่งนี้แม้ว่าจะเป็นสิ่งเร้นลับแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาให้เข้าใจด้วยเหตุผลได้คือสามารถที่จะเรียนรู้และทดสอบพิสูจน์ด้วยตนเองได้ทำให้ไม่เป็นคนงมงายเกี่ยวกับการเชื่อในสิ่งลึกลับและพร้อมกันนั้นก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมีหลักที่ดีในการดำเนินชีวิตความรอบรู้ในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้องและชัดเจนอันนี้คือรากฐานอันสาคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองทำให้คนเรามีศรัทธาในอันที่จะสร้างความดีซึ่งนั่นย่อมหมายถึงว่าเขาจะทำอะไรเขาจะต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอและพร้อมกันนี้ก็มีความสบายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือในภาวะใดๆพุทธวจนะจากคาถาธรรมบท มโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณฉะ น, นั้นหากว่าบุคคลใดมีวิญญาณชั่วจะพูดอะไรหรือทำอะไรก็ตามเพราะเหตุที่วิญญาณชั่วนั้นความทุกข์ย่อมจะติดตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียน มโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณฉะนั้นหากว่าบุคคลใดมีวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดอะไรหรือทำอะไรก็ตามเพราะเหตุที่มีวิญญาณบริสุทธินั้นความสุขยอมติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวมนุษย์ส่วนมาก ในเมื่อถูกภัยคุกคามหรือเกิดความกลัวหรือต้องการผลยังใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการลูกเป็นต้นก็มักพากันไปยึดถือเอาภูเขาป่าไม้อารามหรือรูปขจดีดีที่ตนเองถือว่าศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าสิงสถิตยอยู่เป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะคนใด ได้อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนคนใดเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกและถือเอาเป็นที่พึ่งและเห็นแจ้งซึ่งอริยาสาัจสีด้วยความเข้าใจอันถูกต้องกล่าวคือเห็นแจ้งซึ่งทุก์เหตุให้เกิดทุกความดับทุกและอริยามรรคมีองค์ปอันเป็นทางใหถึงซึ่งความดับทุก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 ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาแต่โบราณถึงแม้จะไม่เห็นผลแต่ก็เป็นคำพูดที่ให้กำลังใจทำให้หายความหวาดกลัวได้บ้างหรือทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองได้บ้างซึ่งในกรณีอย่างนี้การอ้อนวอนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ย่อมจะมีผลอยู่เหมือนกันดูเหมือนว่าจะเป็นลนักษณะที่มีอยู่ทุกชาติทุกภาษาและทุกยุคสมัย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 ความดับทุกข์และทางที่ถึงซึ่งความดับทุกข์ซึ่งเรื่องที่ว่านี้เราส่วนมากคุ้นเคยกันดีที่สุดเพราะได้ยินได้ฟังบ่อยแต่ถึงกระนั้นก็มีน้อยคนมากที่รู้สึกว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบอริยสัจนั้นย่อมหมายถึงว่าพระองค์ได้ส่งค้นพบวิธีแก้ปัญหาให้กับโลกได้ทุกอย่างการที่คนส่วนมากไม่ซึ้งนเรื่องอริยสัจก็เพราะเขาม่ซึ้งนเรื่องของชีวิต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 สรุปแล้วคนทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนต่างก็ยังช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์ไม่ได้คนจนก็มีความทุกข์ไปอย่างหนึง่งคนมีเงินก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึง่งคนโง่หรือที่มีการศึกษาน้อยก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึง่งคนฉลาดหรือคนที่มีการศึกษาสูงก็มีทุกข์ไปอีกอย่างหนึง่งรวมความแล้วไม่ว่าใครยังช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งนั้น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 แม้แต่ความตายก็ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ถ้ามิเราพ้นไปจากความตายได้ก็ในเมื่อแม้ความตายพระพุทธศาสนายังช่วยเราได้ปัญหายังอื่นซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่าทาไมจะช่วยแก้ให้ไม่ได้เช่นปัญหาที่คนวนมากประสบกันอยู่ทุกวันนี้คือความยากจนความเจ็บป่วยและการเบียดเบียนการในรูปต่างๆปัญหาทั้งหมดที่ว่านี้ถ้าหากไดเอาวิธีการ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 และฝึกสมาธิได้ดีด้วยคือสามารถทำใจให้สงบและแจําใสได้ทุกครั้งที่นั่งสมาธิข้อนี้จะทำให้สมรรถภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกำลังใจในอันที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็จะมีอยู่เสมอความเบื่อหน่ายหรือความท้อแท้กับการงานก็อาจจะมีบ้างในเมื่อร่างกายไม่สบายหรือในเมื่อพบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับการงานหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม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 มีความสามารถในหน้าที่การงานเยนชนิดที่หาตัวจับได้ยากและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตัวแม้จะยากสักเพียงใดก็สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะทางพระพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่าปฏิสัมพิทาแปลว่าความแตกฉานปฏิสัมพิธามีอยู่ส่อย่างคือหนึ่งอัตถะปฏิสัมพิทา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 คนที่ฉลาดในการใช้คำพูดได้แพร่เลอะลึกซึ้งความหมายชัดเจนก็คือคนที่แตกฉานในเรื่องนี้ 4. ปฏิพานปฏิสัมพิธาความแตกฉานในเรื่องปฏิพานปฏิพานแปลว่าการโต้ตอบหรือการแก้ปัญหาแก้ข้อข้องใจ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 ในทางพระพุทธศาสนามีคําว่าอริยะคําว่าอริยะตามศัพท์แปลว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากข้าศึกหรือคนที่เอาชนะข่าศึกได้เด็ดขาดอริแปลว่าข่าศึกยะแปลว่าไกลคําว่าข่าศึกในที่นี้หมายถึงข่าศึกภายในกล่าวคือความทุกข์ในใจและความชั่วร้ายต่างๆในใจ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 ทุกคนทราบได้ดีว่าถ้าเรามีความสบายใจอยู่เสมอก็สามารถที่จะทํางานได้ดีศึกษาอะไรต่างๆก็ได้ผลดีแต่คนส่วนมากไปเข้าใจเสียว่าความสบายใจมาจากสิ่งภายนอกเพราะสังเกตจากตัวเองและจากคนอื่นว่าในขณะใดถ้าร่างกายไม่สบายหรือไม่มีเงินใช้หรือมีคนคอยขัดใจรวมความว่าถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วก็ทาให้ไม่สบายใจ ถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็สบายใจความจริงข้อนี้เห็นได้ง่ายแต่ดูความเป็นจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ขอให้สังเกตดูต้นไม้จะเกิดมาเป็นต้นอะไรสำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันแต่ต้นไม้จะเกิดหรือไม่เกิดจะงามหรือไม่งามความสำคัญอยู่ที่สิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนโคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย วิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณเพราะฉะนั้นหากว่าบุคคลใดมีวิญญาณชั่วจะพูดหรือทำอะไรก็ตามความทุกข์ก็จะติดตามเข้าไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนแต่ถ้าหากมีวิญญาณผ่องใสบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขติดตามอยู่เสมอเหมือนเงาติดตามตัว ความจริงข้อนี้คนส่วนมากไม่ค่อยจะนึกถึงและไม่พยายามที่จะศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงเหนือเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะทำให้ใจสบายจึงไปมุ่งแก้หยุดที่สิ่งแวดล้อมสิเป็นส่วนมากอันที่จริงสำหรับคนที่ยังปรับปรุงจิตใจของตัวเองไม่ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมย่อมมีความสาคัญไม่น้อยและในทางปฏิบัติก็จะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม ไม่เช่นนั้นเขาก็จะไม่มีทางปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่ข้อเสียหายหรือข้อบุพร่องมีอยู่นิดเดียวคือในระหว่างที่เราพยายามแก้ไขสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความสบายใจนั้นถ้าหากจะได้ถือโอกาสปรับปรุงจิตใจให้ค่อยๆสูงขึ้นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมก็จะค่อยๆลดลงคือแปลว่าต่อมาภายหลังแม้จะยากจน ร่างกายจะเจ็บป่วยหรือจะเกิดความผิดหวังในเรื่องอะไรก็ตามเขาก็สามารถที่จะรักษาใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้ในทำนองเดียวกับเด็กที่เกิดในตระกูลที่พ่อแม่มีฐานะดีมีความเป็นอยู่สะดวกสบายถ้าหากในระหว่างนี้จะมัวเล่นมัวแสวงหาแต่ความสุขเพลิดเพลินไม่ตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งโอกาสที่ดีนั้นก็จะผ่านไปอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าหากเด็กคนนี้จะตั้งใจเรียนหนังสือ พยายามเรียนให้เก่งชีวิตเขาก็จะก้าวหน้าไปโดยลำดับเพราะการเรียนสะดวกส่วนเด็กที่มีพ่อแม่ยากจนเขาจะต้องช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพหรือทำงานทุกอย่างภายในบ้านการเรียนก็ย่อมจะไม่สะดวกและส่วนมากก็จะเรียนไม่ค่อยได้ข้อนี้เทียบกันได้กับคนที่ยังมีฐานจิตต่ำและสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็เป็นการยากหรือเกือบไม่มีทางเป็นไปได้เลย ที่จะปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นสาหรับบุคคลประเภทนี้ถ้าหากจะเอามาอบรมเพื่อให้มีจิตใจสูงก็จะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยซึ่งส่วนมากก็ทำกันไม่ค่อยได้เพราะคนยากจนมีมากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็มีมากฉะนั้นจึงเป็นการเหลือวิสัยที่จะช่วยยกฐานะทางจิตใจของคนระดับนี้ให้สูงขึ้นได้ทั้งหมดเพราะทากันไม่ไหว เนื่องจากคนประเภทนี้มีจานวนมากและจะต้องใช้ทุนมากมายด้วยเท่าที่ช่วยกันได้ในเวลานี้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นอันหนึ่งเนื่องจากคนส่วนใหญ่มีฐานจิตใจไม่สูงสิ่งแวดล้อมจึงมีความสาคัญมากและคนประเภทนี้ก็มองไม่เห็นเลยว่าการทำจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับตัวเองได้อย่างไร เพราะฉะนั้นในเมื่อจะถือเอาเสียงข้างมากซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ได้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วจึงเป็นการยากที่จะให้คนทั้งหลายมีความเข้าใจและเกิดความเชื่อขึ้นมาว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆเราจะต้องมุ่งแก้ปัญหาที่จิตใจของตัวเองและด้วยเหตุนี้เองเมื่อพูดว่าศา ส, สนาสามารถช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับคนเราได้คนส่วนมากจึงมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะตัวเขาเองในเมื่อสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีขึ้น <d> เขาก็แก้ไขจิตใจของเขาให้ดีขึ้นไม่ได้และในทางศาสนาก็มีแต่จะสอนให้แก้ไขปัญหาในทางจิตใจฉะนั้นเขาจึงมองไม่เห็นทางว่าศา ส, สนาจะช่วยได้อย่างไร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 เหตุไร ai, พระพุทธศาสนาจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับคนเราได้ทุกอย่างเขาได้โปรดจำไว้ให้แม่นว่ า, วาพระพุทธศาสนาที่ว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาแก่เราได้ทุกอย่างนั้นมีเหตุผลอยู่สประการคือ 1. พระพุทธศาสนาสามารถทำให้คนเรามีความสบายใจอยู่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานนะหรือในเหตุการณ์ใดๆ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 เพราะเขารู้อยู่แก่ใจของเขาเองว่าทางเห็นความพ้นทุกขนั้นมีอยู่ทางเดียวคือต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ปดหรือเศียสมาธิปัญญาและโดยธรรมดาคนที่จะฝึกสมาธิและวิปัสนาได้ผลจริงๆใจต้องสงบจ้งนิวรณ์เช่นความคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นด้วยอำนาจการมชันทะไม่มีความโกรธหรือความเกลียดความอาฆาตพยาบาทก็จะมีขึ้นไม่ได้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 จะกลายเป็นบุคคลที่สนใจต่อการก้าวหน้าของสังคมและมากจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะอุทิศตัวให้กับสังคมถ้าหากเขาปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาได้ผลดีจริงๆความดีเด่นของพระพุทธศาสนาซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกอย่าง ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าคนที่จะสามารถทำอะไรเป็นผลสาเร็จนั้นย่อมมีหลักสำคัญอยู่3ประการคือ 1. ตัวเองจะต้องมีความสบายใจอยู่เสมอ 2. จะต้องมีสมรรถภาพเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ 3. ต้องมีศีลธรรมเกิดจากตัวเองพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะทำให้คนเรามีความสบายใจอยู่เสมอ และทํางไม่มีสมรรถภาพเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและความสบายใจกับสมรรถภาพที่ว่านี้ก็มีความสัมพันธ์อยู่กับศีลธรรมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยเพราะคนเราจะมีความสบายใจและมีสมรรถภาพเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่เพื่อการสร้างบารมีหรือปฏิบัติตามมรรคมีองค์8และทั้งต้องเป็นคนที่รู้แจ้งด้วยตัวของเขาเองว่าถ้าหากเราไม่มีศีลธรรมอย่างเพียงพอแล้ว เราก็ไม่อาจที่จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการเพิ่มภูนสมรรถภาพให้กับคนเราโดยอาศัยวิธีทางพระพุท ธ, ธศาสนาเป็นหลักนั้นย่อมจะทำให้บุคคลประเภทนี้มีประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงจะไม่เหมือนกับคนส่วนมากในเวลานี้พอมีความรู้ความฉลาดขึ้นก็มักจะเอาเปรียบคนอื่นทาความเดือดร้อนให้กับคนอื่นทานองเดียวกับพวกยักในเรื่องรามเกียรติ์ พวกนี้พอมีฤทธิ์เกิดขึ้นทั้งมนุษย์และเทวดาก็พ้ ก, กันเดือดร้อนจนถึงพระนารายณ์ต้องอวตาลุงมาปราบและนอกจากพระนารายณ์แล้วก็ไม่มีใครที่สามารถจะปราบยักษ์ได้แต่อย่าลืมว่าล้ำพังพระรามองค์เดียวไม่อาจจะปราบยักษ์ได้แม้ จ, จะมีฤทธิ์คือมีสอนที่สามารถจะปราบยักษ์ได้และมีบุญบารมีคุ้มครองซึ่งทําให้ใครๆไม่อาจที่จะทําอันตรายได้และมีความดีอันประเสริฐ ซึ่งทำให้บุคคลเช่นอย่างฮนุมานหรือสุครีปซึ่งมีฤทธิ์มีอํานาจมากพอรู้ว่านี่คือพระนารายก็ยินดีรับใช้ทุกอย่างเพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกันคือต้องการจะปราบยักษ์ให้สินส้นซากไปจากโลกมนุษย์อย่าลืมนะครับว่าในรามเกียร์นั้นเป็นวรนใคดีเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นท่านยกมาเปรียบเทียมให้เข้าใจได้ง่ายเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเรื่องพวกนี้จะมีจริงนะครับซึ่งในปัจจุบันเป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับคนทั่วไปที่กลับไปเอาตัวละครในวรรณคดีมากราบไหว้บูชาเสมือนว่ามีชีวิตอยู่จริงๆในทางกุศโลบายนั้นถ้านับถือด้วยคุณธรรมบูชาแล้วยึดเอาคุณธรรมของแต่ละตัวละครนั้นมาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ถ้าจะให้ดีขอแนะนำนะครับพระอระหันต์ผู้เป็นเอตาทัศขในแต่ละด้านนั้น เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีคุณสมบัติมีสังฆ ค, คุณในความเป็นอริยสงฆ์อยู่จริงถ้าจะเลือกกราบไหว้ใครด้วยคุณสมบัติพิเศษแนะนาให้เอาพระอระหันต์่ละองค์มาไว้ยึดเหนียวมาไว้กราบไหว้เป็นสังคานุสติจะเกิดประโยชน์และเป็นอนิสงผลบุญเป็นสมมาทิฐิที่ถูกทางปลอดภัยกว่านะครับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบเหมือนกับพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระรามไรก็ตามไม่ว่าจะมีฤทธิ์หรือจะมีอำนาจมีความรอบรู้เจนจบอย่างดินฟ้ามหาสมุทรรอบรู้เหตุการณ์ทุกอย่างดังเช่นพิเภกก็ตามในเมื่อมารู้ถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาแล้วทุกคนจะยินดีรับใช้ด้วยชีวิตของตนทีเดียวเพราะทุกคนที่เข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้นยอมจะรู้แจ้งแก่ใจของตนเองอยู่เสมอว่าเราไม่มีทางรอด นอกจากทางเดียวคือยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเท่านั้นแล้วเราไม่มีทางรอดถ้าหากมีคิดปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆและการที่จะปรับปรุงจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นก็มีอยู่ทางเดียวคือเราต้องพยายามสลัดความยึดถือและความอยากได้เพื่อตัวเองออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกระทั่งตันหาอุปาทานในสันดานไม่มีเลย นั่นแหละจึงจะพ้นทุกได้จริงๆแต่การที่เราจะทำได้อย่างนี้ก็มีอยู่ทางเดียวที่ได้ผลแน่นอนคือนอกจากเราจะต้องพยายามอบรมตัวเองให้มีศีลมีสมาธิและมีปัญญาแล้วในชีวิตประจำวันเราจะต้องพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในขอบเขตและหน้าที่ของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ได้ขอให้สังเกตว่า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 การสร้างบารมีก็คือการสร้างฐานะให้กับตัวเองที่ได้ผลอย่างแน่นอนและยั่งยืนการสร้างบารมีก็คือการสร้างชีวิตภายในให้ค่อยๆมีความสมบูรณ์ขึ้นโดยลำดับชีวิตภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดมาจากชีวิตภายในชีวิตภายนอกจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนยอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับชีวิตภายในฐานะภายนอกก็มาจากฐานะภายใน เหมือนต้นไม้ย่อมเกิดมาจากมเมล็ดของมันต้นไม้จะเป็นต้นอะไรความสำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันขอให้สังเกตให้ละเอียดว่าคนที่เข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของตนอันนี้ลหละที่จะทำให้คนเราต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี และเขาจะพยายามทำทุกๆอย่างเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นซึ่งโดยที่แท้แล้วการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็คือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองข้าพเจ้ามองไม่เห็นเลยว่าจะมีหลักคำสอนไม่ว่าของลัทธิใดที่จะประเสริฐในอันที่จะทำให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองได้ดีเท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีหลักธรรมใด ที่จะทำให้คนเรามีความสบายใจอยู่เสมอและทาให้สมรรถภาพของคนเราเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆและสืบต่อกันไปทุกๆชาติเท่ากับคาสอนของพระพุทธเจ้าและวิธีศึกษาเพื่อที่จะให้ได้ผลดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่ยากทุกคนถ้ามีความสนใจก็สามารถที่จะทำได้และวิธีที่ว่านี้ก็คือขอให้พยายามศึกษาคำว่าวิบากให้เข้าใจอย่างละเอียดและเลือกเส้งทุกแง่ทุกมุม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 วิสัยขี้เกียจที่เกิดขึ้นในสันดานเรียกว่าวิบากส่วนคนขี้เกียจยอมจะมีความลำบากอย่างไรบ้างหรือชีวิตจะไม่ก้าวหน้าอย่างไรบ้างความลำบากหรือความไม่ก้าวหน้าไม่เรียกว่าวิบากแต่เรียกว่าผลของวิบากเมื่อเราเรียนหนังสือการเรียนก็ถือว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งความรู้ที่เกิดขึ้น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 และจะต้องเกิดขึ้นทุกครั้งและเกิดทันทีในเมื่อการกระทาได้เกิดขึ้นกรรมในทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกายกรรมแปลว่าการกระทาทางกายซึ่งหมายถึงการกระทาที่ต้องใช้มือใช้เท้าหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากการใช้ปากพูด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 การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกรรมเรียกว่ากายกรรมฝ่ายอกุศลส่วนการกระทำที่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์และเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเรียกว่ากายกรรมฝ่ายกุศลการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคัญยาพูดเพ้อเจ้อเรียกว่าวจีกรรมฝ่ายอกุศลการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเรียกว่าวจีกรรมฝ่ายกุศลความนึกคิดที่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงผิดเรียกว่ามโนกรรมฝ่ายอกุศลส่วนความนึกคิดที่ไม่ประกอบด้วยความโลภไม่ประกอบด้วยความโกรธไม่ประกอบด้วยความหลงผิดเรียกว่ามโนกรรมฝ่ายกุศลอันหนึ่ง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 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือในทางชั่วก็เรียกว่าเป็นกรรมได้ทั้งสิน้นเพราะคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งจะหมายถึงในทางดีก็ได้อย่างที่เรียกว่ากุศลกรรมจะหมายถึงในทางชั่วก็ได้เช่นเรียกว่าอากุศลกรรมอันหนึง่งเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมคนทั่วไป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 และมากจะหมายถึงแต่ผลในด้านศิลธรรมเท่านั้นซึ่งนับว่าเป็นความเข้าใจที่ยังแคบมากกรรมในความหมายที่ลึกซึง้งกรรมในความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆของพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงพฤติกรรมทุกอย่าง เช่นการเดินการยืนการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวทุกอย่างการทำงานทุกอย่างโดยที่สุดแม้การกระทางานตามหน้าที่ของอวัยวะภายในเช่นการเต้นของหัวใจการทำงานของปอดของลำไส้หรือของอวัยวะใดๆก็ตามก็เรียกว่ากรรมและในเมื่อมีกรรมเกิดขึ้นก็หมายความว่าจะต้องมีวิบากเกิดขึ้นได้เสมอกรรมก่อให้เกิดวิบาก และวิบากก็ก่อให้เกิดกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าวิบากในความหมายอีกอันหนึ่งก็คือสมรรถภาพต่างๆของร่างกายเช่นความสามารถในการเดินซึ่งเกิดขึ้นจากการหัดเดินความสามารถในการยืนซึ่งเกิดขึ้นจากการหัดยืนอย่างนี้เรียกว่าวิบาก ค, ความสามารถของหัวใจที่ทำงานได้ตามปกติตามหน้าที่ของมันอย่างนี้ก็เรียกว่าวิบาก ความสามารถในการสร้างสรรค์ชีวิตของวิญญาณมาตั้งแต่แรกปฏิสนธิอย่างนี้ก็เรียกว่าวิบากสมรรถภาพต่างๆของร่างกายเช่นความสามารถในการเดินในการยืนในการวิ่งอย่างนี้เป็นต้นที่เรียกว่าวิบากนั้นก็เพราะความสามารถต่างๆเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นความสามารถของวิญญาณเป็นคุณสมบัติของวิญญาณไม่ใช่เป็นความสามารถของร่างกาย หรือเกิดจากร่างกายโดยตรงความสามารถที่ว่านี้ก็คือผลแห่งการกระทําซึ่งเกิดขึ้นในสันดานและจะสืบต่อไปถึงชาติหน้าได้เช่นเดียวกันกับวิบากอื่นๆเช่นในกรณีที่เด็กบางคนมีนิสัยโกหกมาตั้งแต่เด็กเล็กทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อชาติก่อนเขาเคยเป็นคนโกหกมามากวิบากอันนี้จึงได้ติดตามมาและในทํานองเดียวกัน การที่คนเราทุกคนพอเกิดมาไม่นานเท่าไหร่ก็หัดพูดได้หัดยืนได้หัดเดินได้อย่างนี้เป็นตน้นการที่คนเราพูดได้ยืนได้เดินได้เช่นนี้ไม่ใช่เป็นเพราะการหัดในชาตินี้อย่างเดียวเท่านั้นที่ทำให้เกิดสมรรถภาพต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาแท้ที่จริงการที่คนเราหัดให้ทำอะไรได้ในชาตินี้ก็เป็นเพราะเราเคยทาอย่างนั้นมาแล้วในชาติก่อนสมรรถภาพในเรื่องนั้น ได้สืบต่อมาถึงชาตินี้ซึ่งข้อนี้เราจะสังเกตเห็นได้จากตัวอย่างที่ว่าเราเอาคนหลายคนมาหัดทำในสิ่งเดียวกันใช้เวลาเท่ากันแต่แล้วสมัติภาพที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันวิบากก็คือสมัติภาพต่างๆความหมายอันนี้คนส่วนมากไม่ค่อยนึกถึงและยิ่งพูดว่า ความสามารถในการเดินในการวิ่งก็คือวิบากและเป็นสิ่งที่สืบต่อมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วคนทั้งหลายก็ยิ่งจะไม่เข้าใจสาเหตุที่ไม่เข้าใจก็เป็นเพราะเรายังเข้าใจกันอยู่ว่าความสามารถในการเดินในการวิ่งเป็นเรื่องของร่างกายเช่นคนที่ไม่รับประทานอาหารก็ยอมจะไม่มีแรงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรืออายุยังน้อยเกินไปหรือร่างกายเกิดพิการ ก็ยอมจะเดินไม่ได้หรือวิ่งไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้จากตัวอย่างที่มองเห็นกันอยู่บ่อยๆเช่นนี้จึงทำให้เข้าใจว่าสมรรถภาพต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของร่างกายและเกิดขึ้นจากการฝึกหัดเอาในชาตินี้เองเขามองไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจและสืบต่อมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนแต่อย่างไรก็ดีเราควรจะพยายามนึกอยู่เสมอว่า ร่างกายเคลื่อนไหวได้ทำงานได้เพราะจิตใจเป็นผู้บังคับไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทเป็นผู้บังคับสมองและประสาทเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจสำหรับจะใช้บังคับร่างกายเท่านั้นตัวอย่างง่ายๆเช่นการเขียนหนังสือมือจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรจะเขียนออกมาอย่างไรมันอยู่ที่ความนึกคิดเดบบางครั้งใจไม่อยากจะคิดไม่อยากจะเขียน ทั้งที่ร่างกายก็เป็นปกติกำลังก็มีอยู่สมองและประสาทก็ปกติทุกอย่างแต่แล้วมือมันก็จะไม่เขียนและอีกอย่างหนึ่งเช่นในเวลาที่ตกใจหัวใจก็จะเต้นผิดปกติหรือไม่ก็อาจจะหยุดไปเลยคนที่มีความกลุ่มใจไม่สบายใจอยู่เสมอก็จะทำให้เป็นโรคทางร่างกายเยวหลายอย่างจากตัวอย่างเหล่านี้ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าวิญญาณเป็นผู้ควบคุมร่างกายโดยอาศัยสมองและประสาทเป็นเครื่องมือสิ่งที่เรียกกันว่ากระแสประสาทซึ่งเป็นตัวการสำคัญแล้วรู้จักกันดีในวงการแพทย์นั้นอันนี้แหละก็คือกระแสจิตหรือกระแสวิญญาณถ้าหากตกลงทาความเข้าใจกันได้อย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าสมรรถภาพต่างๆในร่างกาย ที่ควบคุมอวัยวะทั้งหลายให้ทำหน้าที่ของมันตามปกตินั้นก็คือวิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณหรือใจนั่นเองวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เรื่องวิบากต้องศึกษากันอย่างละเอียดทีท่วนและเลือกซึ่งจริงๆจึงจะมองเห็นว่าพระรัตนตรัยหรือพูดอีกนายาหนึ่งคือพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งซึ่งหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะอธิษฐานขอให้อนุภาพของพระรัตนตรัยคุ้มครองหรือบรรดาที่เกิดผลตามที่เราต้องการได้แต่อย่างไรก็ดีจะต้องเข้าใจซก่อนว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงนั้นคือวิบากของเราเองพระรัตนตรัยก็ดีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีแม้ว่าจะสามารถช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันอันตรายหรือดลบันดาลที่เกิดผลตามที่เราปรารถนาได้ก็จริงแต่ก็มีขอบเขตจํากัดกล่าวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นนั้นจะช่วยเหลือเราได้เท่าที่วิบากของเรามีอยู่เท่านั้นจะช่วยให้เกินกว่าวิบากของเราไม่ได้ และอีกประการหนึ่งสิ่งที่จะให้คุณแก่เราหรือจะให้โทษแก่เราอย่างแท้จริงนั้นก็คือวิบากของเราเองซึ่งมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อถึงคราวที่วิบากจะต้องให้ผลอย่างไรแล้วใครๆก็ไม่อาจที่จะยับยั้งป้องกันหรือช่วยให้มีผลเป็นอย่างอื่นได้ฉะนั้นวิบากในตัวเราซึ่งมีอยู่ในวิญ ญ, ญาณหรือใจจึงนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ขอให้พิจารณาดูเหตุผลดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีบุญบา ร, รมีสูงที่สุดในขณะที่อยู่ในสวรรค์เป็นเทพเจ้าที่มีบุญญาพินิหารเหนือเทพเจ้าทั้งปวงและในขณะที่ชาจุติลงมาเกิดเทวดาทั้งหลายก็มาทูลอันเชิญและตลอดเวลาเทวดาทั้งหลายขอยพิทักษ์คุ้มครองขอให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้น การที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารได้และได้สำเร็จพระโพธิญาณก็ด้วยบา ร, รมีของพระองค์เองถ้าหากว่าบุญบา ร, รมีของพระองค์ไม่ถึงขั้นที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแม้จะยิ่งใหญ่สักเพียงไรก็ไม่อาจที่จะช่วยให้พระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้อันหนึ่ง ถ้าหากเราพิจารณาดูถึงชีวิตของพระเยซูซึ่งเป็นศาสดาผู้หนึ่งซึ่งตามคำภีรได้กล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าส่งลงมาเพื่อให้มาช่วยไถ่บาปให้กับมนุษยชาติเมื่อกล่าวที่พระองค์ถูกทหารโรมันจับและในที่สุดได้ถูกตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตด้วยวิธีเอาไปตรึงไว้กับไม้กางเขนนั้นพระเยซูก็ได้ส่งอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วย แต่พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ทรงช่วยให้พ้นจากการถูกลงโทษครั้งนั้นซึ่งในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงมองเห็นว่าเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้พระองค์ต้องตายในลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงยินยอมที่จะตายด้วยความเต็มใจจากเรื่องของพระเยซูดังที่กล่าวมานี้ถ้าหากเราเข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึง้งก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า พระผู้เป็นเจ้าที่พระเยซูอ้างถึงนั้นหมายถึงอะไรแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนเราทุกคนเมื่อถึงคราวที่วิบากจะต้องให้ผลออกมาในรูปไหนแล้วไกลๆก็ไม่หาที่จะขัดขวางได้และเมื่อเราศึกษาชีวประวัติของพระองคูลิมานเราก็จะได้แง่คิดว่าพระองคุลิมานน่าจะต้องตายด้วยอาวุธของผู้อื่น คนเดียวแต่สามารถฆ่าคนได้มากมายไกลไม่อาจที่จะฆ่าท่านให้ตายได้ทั้งนี้ก็เพราะมีวิบากอันหนึ่งที่คุ้มครองอยู่เบื้องหลังคือบุญบา ร, รมีจิ่ท่านได้สร้างสมอบรมมาจนถึงขั้นที่จะให้ท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นซึ่งจากบุญบา ร, รมีอันนี้เป็นเหตุชักจูงทําให้ท่านได้พบกับพระพุทธองค์ได้ฟังคําสอนจากพระพุทธองค์จนกระทั่งในที่สุดได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ หที่ว่าวิบากเป็นอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงนั้นเราจะมองเห็นได้จากการพิจารณาดูอีกแง่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าแม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเทพเจ้าใดๆในสากลโลกแต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะส่งดอนบันดาลให้ใครๆที่ยากจนเกิดความร่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็นถ้าหากวิบากที่จะทำให้เขาร่ำรวยไม่มี และในทํานองเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทรงดลบันดาลให้คนชั่วกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ทันทีถ้าหากวิบากของความดีในตัวเขามีไม่พอและคนบางคนเมื่อถึงคราวที่เขาจะต้องตายด้วยวิบากของเขาแม้พระองค์จะทรงทราบและทรงมีความเมตตาต่อผู้นั้นสักเพียงไรพระองค์ก็ไม่สามารถที่ทรงดลบันดาลให้เขารอดพ้นจากความตายได้หรือคนที่มีความเจ็บป่วย ซึ่งโดยธรรมดาเขาจะยังไม่หายเพราะเหตุของมันเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทรงดลบรรดาใีคนนั้นหายป่วยได้ทันทีตัวอย่างในทุนนองนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลมีมากมายขอให้พิจารณาดูทั้งๆที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่และทั้งๆที่พระองค์คือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งได้จุดติลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายได้มองเห็นพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ได้ แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงดลบันดาลให้เกิดผลต่างๆตามที่มนุษย์ปรารถนาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้ปรากฏร่างให้มนุษย์ลาเห็นติดต่อพูดจา ก, กับมนุษย์ทั้งหลายรู้เรื่อง <S <S <ๆ>ก็ยังไม่สามารถที่จะทรงช่วยใครให้เกินไปกว่าวิบาที่เขามีอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นความงม ง, ง, งายและเป็นความหลวงผิด ที่ไกรๆกรจะไปอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบรรดาอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจปรารถนาของตัวเองได้ทุกอย่างอันที่จริงการอ้อนวอนหรือการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้ไม่ใช่เป็นความเสียหายแต่ก็ควรจะต้องรู้ถึงขอบเขตที่ควรจะได้อย่าอธิษฐานอ้อนวอนขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ก่อนอื่นขอให้พยายามศึกษาเรื่องวิบากให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งซะก่อนเพราะวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่เป็นสิ่งที่เร้นลับและมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นทั้งหมดขอได้โปรดพิจารณาพุทธพจน์ดังต่อไปนี้หลายหลายครั้งกรมมุนาวัตติโลโกโลกย่อมหมุนไปตามกรรมกล่าวคือสัตว์โลกทั้งหลายยอมเป็นไปตามวิบากของตัวที่ได้สร้างเอาไว้ ไม่มีใครหนีพ้นไปได้กรรมมังสัตเตวิพัชติญาติทางอีนับปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตกล่าวคือใครจะเกิดมาเป็นอะไรจะดีหรือเลวอย่างไรก็สุดล้วแต่วิบากที่ตัวเองได้สร้างเอาไว้ตายแล้วจะได้ไปเกิดในที่ดีหรือไม่ดีจะได้สิ่งแวดล้อมดีหรือไม่ดี ก็สุดล้วแต่วิบากจะชักจูงไปถ้าท่านเข้าใจพุทธพจน์เหล่านี้ลึกซึ้งท่านก็จะมองเห็นว่าวิบากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจริงในทางคริสตศาสนาหรือทางศาสนาใดก็ตามที่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกนั้น ก็ถือว่าคนชั่วที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนั้นเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษแต่ถ้าหากเป็นคนดีได้รับความอายุติธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นด้วยพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้เป็นเช่นนั้นเช่นอย่างโมเสสซึ่งเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงให้มาเกิดเพื่อจะปลดความเป็นทาสของพวกอิสราเอลแต่ว่าแทนที่พระองค์จะทรงให้ไปเกิดเป็นราชโอรส ของกษัตริย์อียิปต์แล้วต่อมาให้เกิดความเมตตาปราณีและก็ปลดปล่อยพวกอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสซึ่งดูจะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่เหตุการณ์หาได้เป็นเช่นนั้นไม่พระองค์กลับทรงให้โมเสสไปเกิดในตระกูลของยิวซึ่งเป็นทาสของพวกอียิปต์แต่แล้วก็สรงบรรดาที่โมเสสไปเจริญเติบโตในราชสำนักและต่อมาก็ต้องกลับมาเป็นทาสอีกและได้ถูกกษัตริย์ของอียิปต์ในประเทศให้ออกจากประเทศอียิปต์ ให้ต้องเดินทางฝ่าลมและแดดอันแสนที่จะทรมานและทารุณที่สุดท่ามกลางทะเลทรายแต่ก็ไม่ตายเพราะพระเจ้าทรงคุ้มครองและเป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้โมเสสมีความเข้มแข็งมีความอดทนนั้นยอดเยี่ยมและในที่สุดด้วยการชักจูงของพระผู้เป็นเจ้าทำให้โมเสสได้ขึ้นไปบนภูเขาซีนายซึ่งทำให้โมเสสได้เห็นรัศมีของพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับเชิญจากพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งทําให้โมเสสเกิดความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึ้งที่สุดและมั่นคงที่สุดและพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานเพียงไม่เท่าอันเดียวให้กับโมเสสเพื่อเอาไปสู้กับกษัตริย์ของอียิปต์ซึ่งมีกําลังสัญญานุภาพมากมายเพื่อที่จะปลดแอกของความเป็นทาสให้กับพวกยิวโมเสสทํางานเป็นผลสําเร็จผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งนี้เพราะมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบื้องหลัง เรื่องราวของโมเสสที่ข้าพเจ้าเล่ามาให้ฟังโดยย่อนี้ข้าพเจ้าได้ดูจากภาพยนตร์เรื่องบัญญัติสิปการเฉพาะภาพยนตร์เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ดูหลายครั้งและทุกครั้งที่ดูไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อธิบายให้เห็นถึงอนุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์เราได้อย่างชัดเจนมากถึงแม้ว่าตามท้องเรื่องจะลาดูเป็นนิยายก็ตามแต่สําหรับข้าพเจ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนิยายที่ไร้สาระ ตรงกันข้ามข้าพเจ้ามองเห็นความหมายที่อยู่เบื้องหลังของนิยายนี้ข้าพเจ้ามองเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่เป็นความจริงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์อำนาจเช่นนั้นจริงๆข้าพเจ้าซึ้งในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เพราะข้าพเจ้าเข้าใจซึ้งถึงเรื่องวิบากมาก่อนวิบากคือผลแห่งการกระทําที่เกิดขึ้นในสันดาน กฎของการมีอยู่ว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งคำว่าได้ดีในที่นี้หมายถึงได้วิบากของความดีได้ชั่วหมายถึงได้วิบากของความชั่ววิบากที่ว่านี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งในเมื่อมีการกระทาเกิดขึ้นและการกระทาที่ว่านี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่า ต้องพูดหรือทำอะไรออกมาด้วยมือหรือด้วยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นการกระทำขอได้โปรดจำไว้ให้ดีว่าแม้แต่เพียงนึกคิดอยู่ในใจก็ถือว่าเป็นการกระทาและทุกขณะที่เกิดวิบากก็เกิดถ้าคิดดีวิบากของความดีก็เกิดถ้าคิดชั่ววิบากของความชั่วก็เกิด และอีกประการหนึ่งจะต้องจำให้แม่นที่สุดว่ากรรมก็คือพฤติกรรมที่มีความหมายเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการยืนการเดินการนั่งการนอนการกินการดื่มการเต้นของหัวใจการทำงานของปอดและของอ ว, วัยวะต่างๆร่างกายทั้งหมดนั้นก็คือกรรมทั้งสิน้นและวิบากที่เกิดก็คือสมรรถภาพ ของอวัยวะต่างๆนั่นเองวิบากมีอยู่4อย่างอันหนึง่งเมื่อพูดถึงวิบากจะต้องข้อใจให้ละเอียดอีกว่าวิบากมีอยู่4อย่างคือวิบากของเวทนาวิบากของสัญญาวิบากของสังขารและวิบากของวิญญาณ วิบากของเวทนาหมายความว่าทุกขณะที่เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขหรือความรู้สึกเป็นทุกข์หรือความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นวิบากของมันจะต้องเกิดในสันดานเช่นคนที่ปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆในใจแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนแต่วิบากของความทุกข์ก็ยังสะสมอยู่ในสันดาน ในทำนองเดียว ก, กันกับเมื่อเราอ่านหนังสือเล่มใดเข้าใจดีแล้วแม้เดืยนนี้จะหยุดอ่านนานแล้วแต่วิบากของความรู้ก็ยังคงมีอยู่ในสันดานวิบากของความรู้ที่มีอยู่ก็คือความรู้ที่สะสมเอาไว้ซึ่งเมื่อต้องการจะใช้เมื่อไหร่ก็เรียกออกมาได้ทันทีคนส่วนมากไม่รู้สึกว่าความทุกข์ก็มีวิบากและวิบากของความทุกข์ที่สะสมเอาไว้นั้นมีผลอย่างร้ายแรงมาก คนที่เข้าสมาธิไม่ได้นั่งทีารจิตฟุ้งซ่านทันทีคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับหรือเป็นโรคทางกายบางอย่างล้วนแต่มีสาเหตุมาจากวิบากของความทุกข์ที่สะสมเอาไว้คนที่จะเกิดมาอายุสั้นโรคมากสมองไม่ดีจิตใจอ่อนแอทนต่อการทำอะไรซ้ำๆไม่ได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็ทนไม่ได้เบื่อหน่ายเจอสิ่งต่างๆง่ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ตกเป็นธาตุของสิ่งแวดล้อมได้ง่ายทั้งหมดที่ว่านี้ล้วนแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากวิบากของความทุกข์สะสมเอาไว้ทั้งสิ้นจงจำไว้ว่าเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานในทํานองเดียวกันเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดาน คนที่ฆ่าสัตว์ไม่เพียงครั้งเดียวเดีย๋ยวนี้เลิกฆ่าแล้วไม่ตั้งใจจะฆ่าอีกต่อไปแล้วแต่วิบากของการฆ่าก็ยังคงมีอยู่ในสันดานมันจะไม่หายไปทันทีในขณะที่เราเลิกและมันจะต้องมีผลออกมาไม่มากก็น้อยไม่วันใดก็วันหนึ่งเรื่องอย่างนี้เราเข้าใจกันดีแต่ในเรื่องความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้น บ, บ่อยคนส่วนมากไม่รู้สึกกันเลยเพราะคิดเสียว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว เดี๋ยวนี้เราสบายใจแล้วก็คงจะไม่มีอะไรเป็นผลตกค้างเหลืออยู่ถ้าอยากจะรู้ว่าวิบากของความทุกข์ที่สะสมอยู่ในสันดานนั้นจะมีมากหรือมีน้อยก็ขอให้เข้าสมาธิดูแล้วจะรู้ว่าวิบากของตัวเองเป็นอย่างไรคนที่สะสมวิบากของความทุกข์ไว้มากแม้เดี๋ยวนี้จะสบายใจก็จะเข้าสมาธิไม่ได้จนกว่าจะได้แก้ไขระบบความคิดใหม่เปลี่ยนวิบากใหม่ จนวิบากของความทุกข์ได้คลี่คลายออกไปแล้วนั่นแหละจึงจะสามารถเข้าสมาธิได้สมาธิเป็นเครื่องวัดวิบากของความทุกข์ที่แน่นอนเหมือนกับประดอดทีเดียวได้กล่าวมาแล้วว่าวิบากมีอยู่สี่อย่างคือวิบากของเวทนาวิบากของสัญญาวิบากของสังขารและ ว, วิบากของวิญญาณ และคําว่าเวทนานั้นแปลว่าความรู้สึกเวทนาที่นี้ไม่ใช่แปลว่าน่าสงสารเวทนามีอยู่สามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาวิบากของความทุกข์ได้อธิบายมาแล้วถ้าหากเข้าใจดีวิบากของความสุขวิบากของความรู้สึกเฉยเก็เข้าใจกันได้ไม่ยาก เรามีกฎอย่างเดียวกันกล่าวคือเมื่อใดความสุขเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานเมื่อใดความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานคนที่มีพื้นจิตใจดีก็คือคนที่สะสมวิบากของความสุขหรือวิบากของอุบเบกขาเข้าไว้มาก และพื้นที่ว่านี้จะดีมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเภทของความสุขและประเภทของความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นกล่าวคือถ้าหากคนไหนมีความสบายใจอยู่เสมอเพราะได้ทำแต่กรรมที่ดีกระทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้องและเมื่อเกิดความผิดหวังหรือถูกขัดใจหรือถูกเอาเปรียบถูกแกล้งอย่างไรก็ปล่อยวางได้ทาใจให้สบายได้และในเมื่อประสบความสาเร็จ หรือได้อะไรสมความปรารถนาก็ไม่ตื่นเต้นจนเกินไปรู้จักพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ดับได้สูญสิ้นได้สำหรับคนที่สะสมแต่วิบากอย่างนี้ย่อมจะมีพื้นจิตใจดีอยู่เสมอแต่บางคนแม้โดยปกติจะเป็นคนที่ร่าเริงไม่ค่อยเป็นทุกข์แต่ถ้าชอบสแสวงหาความสนุกหรือความสุขจากการเอาเปรียบคนอื่น หรือจากการกลั่นแกล้งคนอื่นหรือจากการโกหกหลอกลวงวิบากของความสุขที่เกิดขึ้นในลนนักษณะนี้จะไม่ผิดอะไรกับคนบางคนที่ชอบรับปร ะ, ประทานอาหารเลือกเอาเฉพาะแต่ที่อร่อยถูกใจเป็นเรื่องสำคัญแต่อาหารไม่ค่อยมีคุณภาพปิหนำซ้าทั้งที่รู้อยู่ว่าอาหารนี้ไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อโรคหรืออันตรายแฝงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แต่เพราะอาาร่อยก็ยังรับประทานเข้าไปซึ่งในที่สุด ก็จะต้องเกิดโรคหรือไม่ก็ร่างกายอ่อนแอการสะสมวิบากของความสุขควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นความสุขที่มีสาระหรือไม่มีแม้ในเรื่องอุเบกขาก็เหมือนกันคนที่วางเฉยเพราะความขี้เกียจหรือเพราะความไม่รู้อุเบกขาอย่างนี้ไม่มีสาระส่วนบุคคลใดวางเฉยเพราะรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ แล้วรู้ดีว่าในกรณีอย่างนี้ควรจะต้องวางเฉยสำหรับคนที่สะสมวิบาสของอุบเบกขาอย่างนี้ในที่สุดจะกลายเป็นคนที่สุขขุมแล้วรอบคอบคิดอะไรได้ลึกซึ้งคนที่จะเป็นคนใจเย็นและไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นคนที่สะสมวิบาสของความสุขที่ดีและสะสมวิบาสของอุบเบกขาที่ดีมาอย่างเพียงพอทีเดียว วิบากของสัญญาสัญญาแปลว่าความจำคนที่จะเกิดมามีสมองดีความจำดีจะต้องเป็นคนที่สะสมวิบากของสัญญาที่ดีมามากตั้งแต่ชาติก่อนหมายความว่าสิ่งใดที่มีสาระมีประโยชน์แล้วพยายามจดจําและจําไว้อย่างมีระเบียบก่อนที่จะจําอะไรก็พยายามพิจารณาอย่างถีทวน อยกยะประเด็นต่างๆออกพิจารณาให้เข้าใจเสก่อนความแตกต่างกันแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆก็มองเห็นส่วนสิ่งที่ไม่ดีไม่มีสาระไม่พยายามที่จะจดจำคนที่ฝึกฝนตัวเองมาอย่างนี้เท่านั้นที่จะเกิดมาเป็นคนที่มีความจำดีอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือนึกคิดอะไรขึ้นมาแล้วจาได้นั้น วิบากของความจำยอมเกิดขึ้นในสันดานเสมอวิบากของสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงความดีความชั่วไม่ใช่หมายถึงร่างกายอีกนัยยะหนึ่งสังขารในที่นี้ก็คือบุญและบาป หรือกุศลและกุศลที่มีอยู่ในใจของเรานั่นเองเช่นความขยันความเกลียดคร้านความกล้าหาญความหวาดกลัวความอดทนและความอ่อนแอความฉลาดความโง่เหล่านี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่าบุญและบาปคือฝ่ายดีก็เรียกว่าบุญหรือกุศลฝ่ายชั่วก็เรียกว่าบาปหรืออกุศลนั้นเพราะคําว่าสังขารในที่นี้ตามศัพท์แปลว่าอํานาจสร้างสรรค์ หรือปรุงแต่งคนเราจะเกิดมาดีหรือชั่วความสำคัญก็อยู่ที่ความดีความชั่วที่มีอยู่ในสันดานของเราความดีความชั่วที่มีอยู่ในสันดานอันนี้ล่ละคือตัวการสำคัญที่จะสร้างสรรคนเราให้เป็นไปต่างสิ่งที่เรียกกันว่าพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอื่นนั้นถ้าพูดในสำนวนของพระพุทธศาสนาก็คือบุญและบาปนี่เอง พระเจ้าลงโทษก็คือบาปให้ผลพระเจ้าช่วยก็คือบุญให้ผลโปรดจาให้ดีว่าสังขารแปลว่าอำนาจสร้างสรรค์ไม่ใช่แปลว่าร่างกายบุญและบาบนี่หละคือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดาน ในทรรนองเดียวกันเมื่อใดความเมตตาเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันยอมเกิดขึ้นในสันดานขอให้จำตัวอย่างทั้งสองนี้เข้าไว้เพราะสังขารข้ออื่นๆก็อยู่ในกฎอันเดียวกันทั้งสิ้นเช่นเมื่อใดความโง่เกิดขึ้นในใจตัณหาเกิดขึ้นในใจอุปาทานเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันก็เกิดขึ้นในสันดาน และในทํานองเดียวกันเมื่อใดปัญญาเกิดขึ้นในใจศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นในใจการปล่อยวางเกิดขึ้นในใจการเสียสละเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากของมันก็เกิดขึ้นในสันดานในชีวิตประจำวันคนเราได้ทำการสะสมวิบากของสังขารทั้งในทางดีและทางชั่วอยู่เสมอทุกขณะจิตและอย่าลืมว่าแม้แต่เพียงนั่งคิด อยู่เฉยเฉวิบากก็เกิดเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นบ่อยบ่อยวิบากของความฟุ้งซ่านก็จะมากขึ้นโดยลำดับคนส่วนมากที่เข้าสมาธิกันไม่ได้ก็เพราะชอบสร้างวิมานในอากาศชอบเพอ้อฝันชอบปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปโดยไม่มีจุดหมายและที่ร้ายที่สุดก็คือปล่อยให้ความวิตกกังวลเกิดขึ้นเสมอไม่พยายามที่จะสลัดออก มีพุทธพจน์อยู่บทหนึ่งว่าศินจะภิกขุอิมังนาวังสิตาเตละหุเมสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิดเรือนี้เพราะเมื่อวิดน้ำออกจากเรือได้หมดแล้วเรือก็จะไปถึงฝั่งได้เร็วคําว่าวิดน้ำออกจากเรือในที่นี้หมายความว่าให้ตัดความวิตกต่างๆอย่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านปัญญเรื่องกามหรือในเรื่องการเบียดเบียนหรือในเรื่องพยาบาท ความมีตกกังวลหรือความคิดฟุง้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ต้องปัดออกไปให้หมดและคำว่าถึงฝั่งหมายถึงบรรลุถึงนิพพานพุทธพจน์ที่อ้างมานี้แม้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโดยตรงที่จะต้องปฏิบัติตามนี้ให้ได้ก็จริงแต่สําหรับชาวบ้านก็ควรจะรู้จักตัดหรือปัดความนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ออกไปบ้างอย่าปล่อยให้ฟุ้งซ่านจนเกินไป แม้เช่นนั้นก็จะไม่ถึงฝั่งคือปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ความฟุ้งซ่านหมายถึงความคิดที่ไม่มีระเบียบไม่มีสติอยู่กับตัวเป็นความคิดเปะปะเอาเป็นสาระไม่เคยได้ความคิดอย่างนี้บางคนถือว่าไม่มีผลร้ายแรงหรือไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างไรถ้าหากว่าเป็นแต่เพียงการคิดเล่น ไม่ได้คิดว่าจะทำจริงๆแต่สำหรับคนที่สนใจในทางสมาธิแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความคิดฟุ้งซ่านเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงเป็นเครื่องทำลายสมถภาพทุกอย่างอย่าลืมว่าเมื่อใดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งวิบากของมันก็เกิดขึ้นในสันดานและถ้าหากมันเกิดขึ้นบ่อยๆวิบากก็จะมาขึ้น วิบากของวิญญาณวิญญาณหมายถึงจักสุวิญญาณการเห็นโสตวิญญาณการได้ยินคานวิญญาณการรู้สึกกลิ่นชิวหาวิญญาณการรู้สึกรสกายยวิญญาณการรู้สึกสัมผัสทางกายและมโนวิญญาณความนึกคิดโดยธรรมดาในขณะที่การเห็นเกิดขึ้น วิญญาณยังไม่เกิดขึ้นหรือในช่วงขณะการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสหรือความรู้สึกสัมผัสทางกายเกิดถ้ามโนวิญญาณคือความนึกคิดยังไม่เกิดวิบากก็ยังไม่เกิดวิบากของวิญญาณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความนึกคิดเกิดขึ้นเท่านั้นและคำว่าวิบากของวิญญาณในที่นี้หมายความว่าเมื่อกระทบกับอารมณ์อันใดแล้วเคยคิดอย่างไร วิบากของความคิดในรูปนั้นก็จะเกิดขึ้นในสันดานความเคยชินของความนึกคิดในรูปใดรูปหนึ่งอันนี้แหละคือวิบากของวิญญาณอันหนึ่งจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าในขณะที่วิญญาณเกิดนี้จะต้องมีเวทนาสัญญาและสังขารไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเกิดพร้อมกับวิญญาณเสมอเช่นในบางขณะก็มีความสุข บางขณะก็มีความทุกข์บางขณะก็รู้สึกเฉยเฉยและพร้อมกับเวทนาเกิดสัญญาคือความจำย่อมเกิดขึ้นด้วยและพร้อมกับสัญญาเกิดสังขารคือความดีและความชั่วหรือกุศลและอกุศลก็เกิดขึ้นด้วยเช่นในบางขณะก็รู้สึกขยันแต่บางขณะก็รู้สึกขี้เกียจบางขณะก็เกิดความกลัวบางขณะก็เกิดความกล้า บางขณะก็เกิดความเข้าใจผิดบางขณะก็เกิดความเข้าใจถูกอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่ความนึกคิดเกิดนอกจากวิบากของความนึกคิดจะเกิดแล้วพร้อมกันนั้นก็ย่อมจะมีวิบากของเวทนาของสัญญาและของสังขารเกิดขึ้นด้วยเสมอด้วยเหตุนี้ในหลักอภิธรรมจึงได้กล่าวไว้ว่าวิบากมีอยู่สี่ขันธ์ ดังที่ได้อธิบายมาแล้ววิญญาณคือพืชแห่งชีวิตคนเราเมื่อตายก็ตายจตร่างกายแต่วิญญาณยังอยู่วิบากยังอยู่ชีวิตที่เกิดขึ้นมานี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบาก เช่นเดียวกับต้นไม้เป็นผลที่เกิดมาจากมเมล็ดของมันต้นไม้แม้จะตายแต่ถ้ามเมล็ดยังอยู่และดินฟ้าอากาศยังอำนวยให้มเมล็ดนั้นก็จะต้องงอกขึ้นมาอีกข้อนี้ฉันใดวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชวิบากต่างๆเปรียบเหมือนเชื้อซึ่งมีอยู่ในมเมล็ดพืชฉะนั้นในเมื่อวิญญาณยังอยู่วิบากยังอยู่มันก็ต้องงอกขึ้นมาอีกคือสร้างชีวิตขึ้นมาอีกฉ น, นั้น ขอให้พิจารณาดูให้ซึ้งชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากวิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณอันนี้แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเพราะพระพุทธเจ้าหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามจะช่วยใครได้ก็เท่าที่วิบากของเขามีอยู่เท่านั้นจะช่วยใครให้เกินไปกว่าวิบากที่เขามีอยู่ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยอธิบายมาแล้วในตอนตน้น โดยหลักธรรมดาคนเราจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยเหตุ3มอย่างคือ 1. ต้องอาศัยพ่อแม่ 2. ต้องอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ต้องอาศัยวิญญาณมาเกิดในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโอปปาติกัดไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ไม่ต้องอาศัยธรรมชาติอาศัยวิญญาณกับวิบากอย่างเดียวเท่านั้น ก็สามารถทําให้ชีวิตเกิดขึ้นมาได้และชีวิตในโลกของโอปปาติกานี้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นไปตามวิบากของแต่ละบุคคลที่ได้สะสมเอาไว้ใครจะเกิดมาสวยหรือไม่สวยมีโรคมากหรือมีโรคน้อยอายุยืนหรืออายุสัน้นสติปัญญาดีหรือไม่ดีจะอยู่ในภพไหนภูมิไหนมีบริวารอย่างไรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวิบากของตัวเองอย่างเดียวส่วนในโลกของมนุษย์ ใครจะเกิดมาเป็นอะไรความสําคัญยังขึ้นอยู่กับพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิบากอย่างเดียวแต่ถึงกระนั้นวิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณก็มีความสําคัญเหนือพ่อแม่เหนือสิ่งแวดล้อมต้องศึกษาเปรียบเทียบชีวิตทั้งในโลกมนุษย์และในโลกของโอปปปาติกะจึงจะสามารถเข้าใจได้ดีว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง วิบากเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดผู้ที่จะอ้อนวอนหรือตั้งจิตอธิษฐานที่จะขอให้พระผู้เป็นเจ้าหรือขอให้พระรัตนตรยัยหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ตามให้ช่วยเหลือเรานั้นเราจะต้องจำหลักขั้นมูลฐานเอาไว้เสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยคนเราให้เกินไปกว่าวิบากที่เรามีอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตน ตนเป็นคติของตนสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของตัวกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตและแม้ในทางคริสตศาสนาก็มีสอนไว้เหมือนกันว่าพระเจ้ายอมช่วยผู้ที่ช่วยตัวเองขอให้ดูตัวอย่างโมเสสซึ่งเป็นคนของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือโมเสสยังไรพระเยซูซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือบุตรของพระองค์อย่างไร แม้ในทางศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูพระนารายจะปราบยักษ์ก็ยังต้องเสด็จอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์และเอาชนะยักษ์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ความสามารถอาศัยความเพียรอาศัยบารมีไม่ใช่อยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรก็สามารถที่จะบรรดาห์นเกิดผลตามที่ต้องการขึ้นมาได้คนที่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงดังที่กล่าวมานี้ ถ้าหากว่าจะอธิษฐานหรืออ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือโดนบันดาลที่เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้นั้นก็อย่าได้ลืมเป็นอันขาดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ด้วยการกระทำของตัวเองดังนั้นการที่จะอ้อนวอนหรืออธิษฐานขอสิ่งใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องรู้ขอบเขตหรือวิสัยที่จะพึงเป็นไปได้อย่าขอในสิ่งซึ่งผิดธรรมดาหรือเหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้ ถ้าหากการอธิษฐานของเรามีขอบเขตเช่นนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถที่จะช่วยให้เราสำเร็จสมตามความปรารถนาได้การอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนั้นข้าพเจ้าคิดว่านิทานเรื่องเทวดากับพ่อคาเกวียนจะเป็นคติสอนใจที่ดีที่สุดเรื่องมีอยู่ว่าเกวียนของพ่อคาคนหนึ่งได้ตกลมเขาพยายามเข็นและดันเท่าไรเกวียนก็ไม่ขึ้นจากลม เขาจึงได้อ้อนวอนขอให้เทวดาที่อยู่ในป่านั้นช่วยเหลือเทวดาก็มาปรากฏร่างให้เห็นครั้นแล้วเทวดาก็บอกว่าให้เอาบาดันเกวียนเข้าและพร้อมกันนั้นก็ตีหัวให้ลากเกวียนซึ่งในที่สุดเกวียนก็ขึ้นจากลมได้ให้สังเกตว่าเทวดาไม่ได้มาช่วยแบกหรือช่วยดันหรือมาบรรดาให้เกวียนลอยขึ้นจากหลมแต่ถ้าหากเทวดาไมมาแนะนําแนวความคิดให้ พ่อค้าเกวียนก็อาจจะนึกไม่ได้ว่าควรจะทำอย่างไรเกวียนจึงจะขึ้นจากลมได้นี่คือตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่จะอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออันหนึง่งในเมื่อคนเราปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จได้ก็ด้วยการกระทําของตัวเองดังที่กล่าวมาเช่นนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่าพระรัตนตรยัยและเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะช่วยเหลือได้อย่างไร การอ้อนวอนหรือการอธิษฐานจะสำเร็จผลได้อย่างไรการอธิษฐานเท่าที่ทำกันอยู่ก็เป็นเรื่องของความงม ง, ง่ายเท่านั้นใช่ไหมพระรัตนตรัยช่วยเราได้อย่างไรสำหรับปัญหาข้อนี้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 ทั้งสาอย่างนี้เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างใกล้ชิดพระพุทธเจ้าถึงแม้จะปริญนิพานไปนานแล้วไม่มีตัวตนปรากฏอยู่ในโลกนี้หรือในโลกไหนแต่ถึงกระนั้นความดีของพระพุทธองค์ที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้อันนี้ล่ละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองหรือดลบันดาลให้เกิดผลตามที่ต้องการได้ต่ต้องเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าและยึดถือเอาเป็นที่พึ่งจึงจะช่วยได้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 สุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีโลกวิทูลเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรบุริสธรรมมาสาวรติเป็นสารทิฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษยานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวทุกขณะจิตภัควา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 นี่หมายความว่าสำหรับคนที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์อย่างถูกต้องและอย่างเลือกซึ้งนั้นศรัทธาภาษาทาของเขามีกำลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคมีกำลังใจที่จะประพฤติความดีและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้วิบากของกุศลผลิตผลออกมาได้รวดเร็วขึ้นและในบางกรณีก็อาจจะให้ผลในทนันทีทันใดที่เราอาธิษฐานนั่นเองประเด็นหลังนี่แหละ ซึ่งบางคนเคยเห็นผลชัดมาแล้วเช่นตนเองเคยมีความคล้าวคลาดจากอันตรายมาได้ยังกับปฏิหารหรือได้ผลตามที่ต้องการขึ้นมาทันทีอย่าลืมว่าปัจจัยสําคัญที่จะช่วยคุ้มครองหรือบัรดาลที่เกิดผลตามความต้องการนั้นคือวิบากของกุศลที่มีอยู่ในตัวเราการอธิษฐานหรือการอ้อนวอนสาหรับในบางกรณีนั้นจะเป็นเสมือนหนึ่งการอุทิศนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว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 และในมิช้าก็จะออกดอกออกผลการทำความดีจะเป็นสิ่งที่ต้องฝืนใจก็เฉพาะสาหรับคนที่วิบากของความดีที่สะสมเอาไว้ยังมีไม่มากพอเท่านั้นแต่สาหรับคนที่ทำมานานจนตัวเองเห็นผลของความดีและเกิดความเคยชินแล้วและชอบในการทาความดีแล้วสาหรับบุคคลประเภทนี้การทำความดีไม่ใช่เป็นการฝืนใจ ส่วนคนที่ไม่อยากจะทำความดีเพราะยังไม่ชินกับการกระทำความดีเช่นนั้นถ้าหากว่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมาคอยให้กำลังใจเขาก็จะทำความดีอยู่ได้เรื่อยๆในทานองเดียวกันกับเด็กเพราะอยากจะได้รางวัลจึงได้ขยันทำความดีและเชื่อฟังพ่อแม่เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าทุกคร้งที่เราอธิษฐานถึงพระรัตนตรยัย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 วิธีอธิษฐานที่ได้ผลอย่าลืมว่าเวลาเราอธิษฐานขอให้พระรัตนตรัยคุ้มครองหรือดลบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้วิธีที่จะทำให้ได้ผลดีขึ้นก็คือในขณะที่เราอธิษฐานนั้นเราจะต้องนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังฆ ค, คุณบทใดบทหนึ่งเพื่อให้เกิดศรัทธาในที่นี้ก็คือข้อความจากในบทสวดอิติปิโสนะครับ และในเมื่อศรัทธาเกิดแล้วกำลังใจก็จะเกิดขึ้นความกล้าหาญความอดทนความเสียสละและความดีอื่นๆอีกหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้ดีเราต้องรู้จักนึกถึงบทใดบทหนึ่งให้เหมาะแก่โอกาสนั้นๆด้วยไม่ใช่หมายความว่าเราเคยนึกถึงบทไหนก็นึกถึงแต่บทนั้นการอ้อนวอนหรือการอธิษฐานขอให้พิจารณาจากตัวอย่างคาอธิษฐานของพระเยซู และจะทำให้เราเข้าใจว่าในจังหวะใดหรือในโอกาสใดเราควรจะนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณบทไหนจึงจะเป็นการเหมาะสมและทำให้ได้ผลเกิดขึ้นมาจริงๆพระเยซูในขณะที่อยู่บนไม้กางเขนและกำลังได้รับความทรมานจากการกระทาของศัตรูอย่างแสนสาหัสนั้นถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงจะแช่งฝ่ายศัตรูด้วยความโกรธแค้น หรือไม่เช่นนั้นก็มีความน้อยใจทำการต่อว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความหวาดกลัวจนเสียสติสัมปชัญญะหรือเกิดความเศร้าโศกร่ำให้เป็นการใหญ่แต่ตรงกันข้ามพระเยซูไม่ได้เป็นเช่นนี้เลยขอให้สังเกตดูให้ดีพระเยซู ท, ทั้งที่พระองค์ทรงอยู่ในความทุกข์ทรมานเช่นนั้นแต่พระองค์กลับทรงอธิษฐานอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าก่อนจะสิ้นพระชนม์ว่า โอพระบิดาเจ้าข้าขอได้โปรดยกโทษให้เขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรขอให้สังเกตคำอธิษฐานของพระเยซูให้ดีคำอธิษฐานนี้เป็นหลักจิตวิทยาขั้นสูงแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์และแสดงให้เห็นถึงหลักหรือศิลปะแห่งการให้อภัยคนโดยธรรมดาเด็กทารกแม้จะทำความผิดร้ายแรงสักเพียงไรใครๆก็ย่อมให้อภยัย เช่นสมมุติว่าเล่นปืนแล้วปืนเกิดลั่นขึ้นมาไปถูกพ่อตายหรือแม่ตายหรือถูกใครตายก็ตามก็จะไม่มีใครเอาโทษแม้แต่คนที่ถูกยิงเองก็จะไม่โกรธ ถ, ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงเพราะถือว่าเด็กไม่รู้อะไรทำไปเพราะไร้เดียงสาพระเยซูปเป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องชีวิตทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นของโอปปปาติกะแจ่มแจ้งชัดเจน รู้ถึงชีวิตหลังจากตายเป็นอย่างดีสําหรับพระองค์เองนั้นได้บรรลุถึงความจริงแล้วว่าผู้ที่สามารถสละชีวิตของตนเองได้ก็จะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตนิรันดร์แต่พวกมนุษย์ทั้งหลายที่พากันเยาะเย้ยและลงโทษพระองค์นั้นพระองค์รู้สึกเสมือนหนึ่งว่าคนเหล่านี้เป็นเด็กทารกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสว่าโปรดยกโทษให้เขาไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไร คนที่จะอภัยคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งและบริสุทธิ์ใจจริงๆนั้นพื้นเดิมจะต้องเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเมตตาต่อมนุษย์และสัตว์ทุกชนิดและจะต้องเข้าใจคําว่าชีวิตเป็นผลที่เกิดมาจากวิบากซึ่งในเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นชัดว่าการให้อภัยแก่ศัตรูนั้นเป็นวิธีที่จะทําให้ตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะจะทําให้ชีวิตภายในสมบูรณ์ขึ้นและศัตรูนั่นแหละ คือผู้ที่ช่วยให้ตัวเองมีความสมบูรยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็เป็นการไม่ยากที่จะมองเห็นว่าคนที่ทำความผิดหรือคนที่ประทุษร้ายเราก็คือเด็กทารกจากบทอธิษฐานของพระเยซูที่อ้างวันนี้ท่านจะได้แง่คิดว่าในกรณีที่ความโกรธหรือความไม่พอใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทาของคนที่เป็นศัตรูนั้น ถ้าเราสามารถที่จะนึกถึงคำอธิษฐานของพระเยซูขึ้นมาในขณะนั้นสำหรับคนที่เลื่อมใสในองค์พระเยซูนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อนึกถึงคำอธิษฐานบทนี้ขึ้นก็สามารถที่จะระ ง, งับความโกรธได้ทันทีแต่สำหรับคนที่เป็นชาวพุทธเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นในเมื่เรานึกขึ้นมาว่าอารหังพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ ก็สามารถที่จะระ ง, งับกิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ทันทีเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีการนึกถึงพุทธคุณเป็นคําบาลีหรือนึกถึงคําแปลแม้จะมีความเข้าใจก็อาจจะไม่ได้ผลถ้าหากนึกขึ้นแต่เพียงแค่นั้นการนึกถึงพุทธคุณที่จะได้ผลอย่างแน่นอนนั้นควรจะนึกขึ้นมาในทํำนองนี้เช่นนึกว่าพระพุทธเจ้าถ้าถูกข่าวด่า ถูกเข่าว่าหรือถูกเข่าประทุษร้ายเช่นนี้คือต้องนึกถึงเหตุการณ์ของตัวเองที่กําลังเกิดขึ้นพระองค์จะไม่โกรธจะไม่เกลียดแต่พระองค์จะทรงให้อภัยจะทรงยกโทษให้แก่คนเหล่านี้เสมอเพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์การนึกขึ้นมาในลนนนักษณะนี้จะทําให้เรารู้สึกตัวว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีและในเมื่อเรามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นทุนอยู่แล้ว ความรู้สึกที่อยากจะเอาอย่างก็ยอมจะเกิดขึ้นการนึกขึ้นมาในจังหวะที่เหมาะสมแกเหตุการณ์เช่นนี้ย่อมจะต้องได้ผลเสมอและในทํานองเดียวกันในขณะใดที่เราเกิดความกลัวหรือเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้ต่อการงานหรือเกิดความรู้สึกอะไรก็ตามที่เป็นกิเลสถ้าหากว่าเราจะนึกถึงพระพุทธคุณบทใดบทหนึ่งหรือจะนึกถึงพระอริยบุคคลองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งเราก็ใจชีวิตของท่านเป็นอย่างดี ถ้าการนึกนั้นเป็นการนึกขึ้นมาในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับรู้จักสอนใจตัวเองการนึกถึงพระรัตนตรัยเช่นนี้จะทาให้ได้ผลทุกครั้งถ้าหากจะไม่ได้ผลก็เป็นเพราะนึกไม่ถูกจังหวะเป็นเพราะไม่เข้าใจความหมายเป็นเพราะไม่รู้จักสอนใจตนเองเวลาปวดท้องถ้ารับประทานยาไม่ถูกกับโรคปวดท้องก็ย่อมไม่หาย แต่ถ้าหยิบยาถูกปวดท้องก็ย่อมจะหายเะนั้นในเวลาที่เราเกิดความเกียดคร้านหรือเกิดความท้อแท้ถ้าหากเราจะนึกในทำนองว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประสบกับปัญหาเช่นเดียวกับที่เราประสบอยู่เดียวนี้พระองค์จะทำอย่างไรเพียงแต่นึกขึ้นมาแค่นี้ก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่จะนึกถึงพระรัตนตรัยและอธิษฐาน ให้พระรัตนตรัยช่วยเหลือเราคุ้มครองเราหรือบรรดานี้เกิดผลอะไรแกเรานั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างลึกซึ้งและต้องรู้ว่าควรจะนึกถึงและอธิษฐานอย่างไรและในเวลาไหนจึงจะได้ผลจริงๆพระรัตนตรยัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่ง และมีอนุภาพที่จะดลบันดาลใี่เกิดผลตามที่เราต้องการได้จริงแต่ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงก็คือวิบากฉะนั้นแม้ว่าพระ ร, รตัตนตรัยหรือเทพเจ้าองค์ใดก็ตามจะช่วยมนุษย์ได้ก็จริงแต่ก็ช่วยได้เท่าที่วิบากของเรามีอยู่เท่านั้นจะช่วยให้เกินไปกว่าวิบากที่เรามีอยู่ไม่ได้ พระรัตนตรัยที่ว่าสามารถช่วยเหลือคนเราได้ก็เพราะเป็นบอ่อเกิดหรือเป็นแหล่งบันดาล น, นั้นยิ่งใหญ่ที่จะให้คนเรามีกําลังใจต่อสู้กับอุปสรรคทุกชนิดแล้วแรงบรันรดาลที่ว่านี้จะยิ่งใหญ่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสและความเข้าใจในคุณค่าของพระรัตนตรยัยขอในถึงบรรดาสาวกของพระเยซูที่ออกไปทําการประกาศศาสนาคนเหล่านี้ได้ถูกฆ่าตายซึ่งมากต่อมาก แต่พวกเขาไม่ท้อถอยอุตส่าห์พยายามบากบั่นทำงานจนเป็นผลสําเร็จทั้งนี้ก็เพราะองค์ศาสดาคือพระเยซูไปสร้างตัวอย่างที่ประทับใจไว้ให้กับสาวกอย่างชนิดที่ยากจะหาศาสดาใดเหมือนการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนมีความหมายยิ่งลึกซึ้งสําหรับมนุษยชาติและมีความหมายสําคัญยิ่งสําหรับสาวกของพระเยซูที่จะออกไปประกาศศาสนา อย่างหนึ่งที่ว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะบรรดาให้เกิดผลตามที่ต้องการได้นั้นก็คือในเมื่อเราอธิษฐานอ้างถึงพระรัตนตรยัยเพื่อขอให้ช่วยเหลือเราอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นในเมื่อเราทําไปด้วยความเลื่อมใสและเข้าใจจริงๆข้อนี้จะเป็นเสมือนหนึ่งฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าทําให้พืชทั้งหลายสดชื่นและงอกงามขึ้นมาทันทีหมายความว่าบุญกุศลที่เราเคยทําไว้ และอยู่ในฐานะที่จะให้ผลอยู่แล้วอันนี้คือตัวการสำคัญที่จะบรรดาที่เกิดผลตามที่ต้องการแต่ผลที่ว่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีหรือกว่าจะเกิดอาจจะช้าไม่ทันกับความต้องการแต่พอเราอธิษฐานอ้างถึงพระรัตนตรัยก็จะทำให้บุญกุศลที่เรามีอยู่แล้วให้ผลรวดเร็วขึ้นบางคนที่พออธิษฐานแล้วเห็นผลทันตา น, นั้นก็เนื่องมาจากเหตุข้อนี้ ลำพังพระรัตนตรัยล้วนๆไม่อาจจะช่วยใครได้ถ้าวิบากของคนนั้นไม่มีและด้วยเหตุนี้เองคนส่วนมากทั้งที่พยายามอ้อนวอนหรืออธิษฐานขอให้พระรัตนตรัยช่วยบรรดาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ปรากฏว่าไม่เกิดผลตามที่ต้องการก็เป็นเพราะวิบากของเขาไม่มีที่จะให้ผลตามที่เขาต้องการ เหตุไรจึงนับถือกันว่าโอปปปาติกะชั้นพรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับสวรรค์นั้นแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือเทวภูมิหกชั้นสูงขึ้นไปคือรูปประพรมรมมีรูป16ชั้นและเอารูปประพรมรมไม่มีรูปอีกสี่ชั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทพเจ้าเทพเจ้าหมายถึงพวกโอกปปาติกะที่ได้ฌานแม้จะเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์ก็ย่อมจะมีความสามารถพิเศษเหนือคนอื่นที่ไม่ได้ฌานเช่นมีสมองดีเป็นพิเศษกว่าคนธรรมดามากสามารถจะคิดอะไรได้รวดเร็วว่องไวมีความคิดใหม่ๆซึ่งเป็นความคิดที่ดีเกิดขึ้นเสมอเช่นในขณะที่ไม่มีนิวรณ์ครอบงำ นิวรนคือสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมเป็นอกุสลธรรมที่ทําให้จิตเศร้าหมองและทําให้ปัญญาอ่อนกําลังมีห้าอย่างได้แก่การมาันทะความพอใจในการมความต้องการกรรมคุณพยาบาทความคิดร้ายทีนามิทะความหดหู่และเสื่อมซึมอุตจักกุกุจจกความฟุ้งซ่านและร้อนใจความกระวนกระวายกลุ้มกังวล และวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในขณะที่ไม่มีนิวรณ์ครอบงำทุกคนจะสังเกตได้ว่าในขณะนี้ความคิดอ่านแจ่มใสกว่าในเวลาที่มีนิวรณอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำและถ้าหากได้ชานขั้นสูงและมีวสีในชาญด้วยก็จะมียานพิเศษเกิดขึ้นอีกหลายอย่างเช่นเกิดตาทิพหูทิพอ่านใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้น โดยธรรมดาคนที่มีบุญหรือมีบาปเมื่อตายจากโลกมนุษย์ไปเกิดเป็นโอปปาติกะอยู่ในโลกของโอปปาติกะนั้นผลของบุญและบาปจะต้องทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าดังเช่นพุทธพจน์ทิตรัสไว้ว่าคนที่ได้ทำบาปไว้ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองคืออยู่ในโลกนี้ก็เดือดร้อนเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็เดือดร้อนและทุกครั้งจีงนึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบาปไว้ก็ย่อมเดือดร้อน และเมื่อไปสู่ทุกคติแล้วย่อมเดิดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าคนที่ได้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงใจเมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงใจและทุกครั้งที่นึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบุญไว้ก็ย่อมบันเทิงใจและเมื่อไปสู่สุขติแล้วย่อมบันเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ชีวิตในโลกมนุษย์ก็เป็นไปตามกฎของกรรมและวิบากทีสาสมไว้ก็ให้ผลอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ฉับพลันหรือเห็นผลชัดเหมือนกับในโลกของโอปปปาติกะเพราะวิบากของความดีและความชั่วของคนในโลกมนุษย์จะให้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์ของวัตถุหลายอย่างส่วนในโลกของโอปปปาติกะวิบากให้ผลฉับพลัน เราไม่ต้องขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของวัตถุและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นคนที่ได้ทำบุญหรือได้ทำบาปไว้เมื่ออยู่ในโลกของโอปปาติกะจึงได้รับผลมากกว่าเห็นผลได้ชัดกว่าในโลกมนุษย์อันหนึ่งคำว่าบุญและบาปให้ผล น, นี้โปรดจำความเข้าใจให้ดีเพราะคำนี้มีความหมายลึกซึ้งและกว้างขวางมากเช่นคนที่ทำบาปอยู่เสมอ แล้วรู้สึกว่าจิตใจมีความเร่าร้อนมันอยู่ในกองไฟนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะรู้สึกแต่เพียงว่าเปรียบเหมือนอยู่ในกองไฟไม่ใช่อยู่ในกองไฟจริงๆและก็ยังมีเวลาที่จะหัวเราะหรือสนุกเพลิดเพลินอยู่บ้างแต่คนประเภทนี้เมื่ออยู่ในโลกของโอปปปาติกะแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกองไฟจริงๆคือเห็นไฟเผาตัวเองอยู่เสมอมันคล้ายกับคนที่กลัวผีหรือกลัวอะไรก็ตาม ด้วยการนึกวาดภาพเอาเองไม่ได้เห็นจริงๆแต่คนที่เป็นบ้าประสาทแปรปรวนไปแล้วเขาจะเห็นภาพหลอนคือได้เห็นภาพที่ตัวเองนึกวาดเอาไว้นั้นปรากฏออกมาเป็นภาพจริงๆเห็นชัดเหมือนกับที่เราเห็นด้วยตาอย่าลืมว่าแม้ร่างกายในโลกของโอปปาติกะก็คือเกิดจากวิญญาณสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นร่างกายที่มีตัวตนจริงๆเราอยู่ในโลกมนุษย์ เราอาจจะนึกภาพอะไรมาก็ได้แต่ภาพนั้นไม่เป็นจริงไม่มีชีวิตแม้จะเป็นภาพในความฝันก็ยังไม่มีชีวิตแต่ในโลกของโอปปาติกะความนึกคิดคือการกระทำคือการสร้างคือการบันดาลเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกฝังใจในทางไม่ดีสะสมแต่วิบากของความชั่วอวิมากเขาจะต้องได้รับความทรมานจากวิบากของความชั่วอย่างแสนสาหัส เหมือนกับคนนอนหลับและฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาและนานมากกว่าจะตื่นในแง่ของบุญกุศลก็เหมือนกันคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่อยู่ในเหตุผลมีคุณธรรมหลายอย่างฟังอยู่อย่างลึกซึ้งคนประเภทนี้เมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะความฉลาดที่มีอยู่ก็จะเพิ่มโพนขึ้นมารวดเร็วถึงแม้จะเป็นคนธรรมดาไม่ได้ฌานไม่ได้เป็นเท พ, พเจ้าอยู่ในสวรรค์ชั้นกา ม, มาผจร คนประเภทนี้มา่อยู่ในโลกของโอปปาทิกะไม่นานเท่าไหร่ก็จะมีความฉลาดความรอบรู้มากกว่าเมื่อสมัยอยู่ในโลกมนุษย์หลายเท่าเพราะโอกาสที่จะหาความรู้ก็ง่ายกว่าสมองก็ดีกว่าภารายุ่งยากเกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็ไม่มีไปไหนมาไหนก็สะดวกผู้รู้ก็มีมากและเมื่อต้องการจะทราบถึงเบื้องหลังแห่งการกระทาของใครก็รู้ได้โดยไม่ยากความสุขความสาราญมีมากมาย แม้แต่ผู้ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นธรรมดาก็ยังมีผลมากมายอยู่แล้วฉะนั้นท่านลองคิดดูว่าผู้ที่เคยได้ฌานเมื่อสมัยยังเป็นมนุษย์เคยมีความรู้ความสามารถมาหลายอย่างเมื่อตายแล้วมาเกิดเป็นโอปปาติกะท่านจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าลองเทียบกับเรื่องอายุก็ได้มนุษย์แม้จะมีอายุยืนนานสักเพียงไรก็ไม่เกินร้อยปีหรือร้อยปีเศษ ถึงจะได้ฌานได้สมาบัติสูงแค่ไหนอายุก็มีเพียงแค่นั้นจะมีบุญมากสักเพียงไรอายุก็แค่นั้นแต่เมื่อมาเกิดเป็นโอปปปาติกะแล้วอายุเพิ่มขึ้นอีกนับเป็นร้อยๆยปีพันพันปีหรือหมื่นปีแสนปีและที่มากกว่านี้ก็ยังมีอีกขอให้นึกถึงพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งคนที่ได้ทำบาปไวเมื่อไปสู่ทุกขติแล้วจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ส่วนคนที่ได้ทำบุญไว้เมื่อไปสู่สุคติแล้วก็จะบันเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าโดยปกติโอปปปาติกาทั้งหลายย่อมเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อยู่เสมอข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงก็คือวิบากของคนเราและยังมีความจริงอีกหลายอย่างซึ่งคนส่วนมากไม่ทราบกันเลยกล่าวคือวิบากซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี่แหละคืออำนาจดึงดูดซึ่งทําให้โอปปาติกะที่มีวิบากอย่างเดียวกับเราให้เข้ามาหาเรามาอยู่กับเราและคอยช่วยเหลือในการกระทําของเราอยู่เกือบตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันเลย เช่นคนที่ชอบเล่นการพนันหรือชอบดื่มเหล้าก็จะมีโอปปาติกะที่ชอบการพนันชอบดื่มเหล้าอยู่เบื้องหลังการเล่นและการดื่มของเขาอยู่เสมอบางทีมนุษย์ต้องการอยากจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้คลายกับว่ามีอะไรคอยบังคับอยู่เบื้องหลังอย่างที่บางคนเรียกว่าผีพนันเข้าสิงซึ่งความเป็นจริงคาพูดประโยคนี้ก็มีความหมายตรงตามตัวหนังสือ แม้ในด้านอื่นๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเช่นคนที่มีอาชีพเป็นหมอก็มักจะมีโอปปาติกะที่เป็นหมอคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแต่ว่าใครจะได้เป็นโอปปาติกะชั้นไหนระดับไหนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำของตนเองนั้นนั่นย่อมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวคือถ้าเป็นคนที่มีวิบากมาดีมากก็จะมีโอปปาติกะชั้นดีมากมาคอยให้ความช่วยเหลือถ้าเรามีวิบากเลวมาก ก็จะมีโอปปาติกาชั้นเลวมาคอยบันดาลใจเราอยู่เบื้องหลังชักจูงให้เรากระทําแต่สิ่งร้ายคนที่มีเคราะหกรรมร้ายๆเช่นคนที่ถูกรถชนตายหรือเกิดอุปาทวะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนมากทีเดียวจะมีโอปปาติกะประเภทที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคือคนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาก่อนหรือมีพวกที่ร้ายๆเหมือนตัวเองดนบันดาลอยู่เบื้องหลังในทางดีก็เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ที่ว่านี้ก็ได้เป็นอย่างนี้มานานตั้งแต่สมัยสร้างโลกหรือโลกเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วอันหนึ่งมีตัวอย่างเทียบเคียงอีกอย่างหนึ่งคือเด็กทารกที่เกิดใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนในชาติไหนในเผ่าไหนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีทุกคนก็มีโอปปาติกะคอยดูแลมาตั้งแต่เกิดซึ่งโอปปาติกะประเภทนี้ คนไทยโบราณเรียกว่าแม่ซื้อใครจะได้แม่ซื้อคือพี่เลี้ยงหรือคนที่มาปกปักรักษาประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับวิบากของเขาเหตุการณ์ที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาและมีด้วยการทุกชาติทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ดึกดำบันมาแล้วในชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปโดยปกติก็มีโอปปาติกะเข้ามาเกี่ยวข้องในทางความนึกคิด และในการกระทำอยู่เสมอใครมีวิบากมาอย่างไรเขาก็จะได้โอปปาติกะที่มีวิบากมาอย่างเดียวกันกับเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างซึ่งเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปมันจะดูดแล้วรับเอาไว้เฉพาะแต่สิ่งที่เข้ากันได้กับตัวของมันส่วนสิ่งใดซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือเข้ากันไม่ได้กับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะขับถ่ายออกมา คนกายที่ว่านี้เราเรียกว่าเป็นการคัดเลือกของธรรมชาติแต่ที่แท้แล้วเป็นการคัดเลือกของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในชีวิตนั้นและการคัดเลือกที่ต่างกันเพราะวิญญาณมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันคือมีวิบากไม่เหมือนกันกฎอันนี้เป็นหลักที่มองเห็นกันได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจซึ่งในเรื่องของวิญญาณจึงไม่ยากในอันที่จะมองเห็นว่า ผู้ที่มีวิญญาณมาอย่างเดียวกันยอมดึงดูดเข้าหากันตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็คือคนเราเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในภพไหนภูมิไหนก็เป็นไปตามวิบากหรือเป็นไปตามกฎที่ว่าผู้ที่มีวิบากเหมือนกันยอมดึงดูดเข้าหากันพ่อแม่จะได้ลูกดีหรือไม่ดียอมขึ้นอยู่กับวิบากของตัวถ้าพ่อแม่มีวิบากมาดี ก็ได้ลูกดีถ้ามีวิบากมาไม่ดีก็ได้ลูกไม่ดีแต่ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าคําว่ามีวิบากเหมือนกันนั้นไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันบางอย่างก็ใช้ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากวิบากเกิดการขัดแย้งกันเมื่อใดก็จะเกิดอํานาจผลักดันทําให้ต้องแยกจากกันและด้วยเหตุนี้เองคนบางคนทําความดีมาตลอด ต่อมาภายหลังวิบากของความชั่วที่ฝังอยู่ในสันดานเริ่มให้ผลคือทำให้คิดผิดพูดผิดทำผิดทำอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดอำนาจผลักดันครั้นแล้วโอปปาติกะที่เคยอยู่ด้วยซึ่งเป็นคนดีก็จะอยู่ไม่ได้และพร้อมกันนั้นก็จะทำให้พวกร้ายๆเข้ามาแทรกและในทํานองเดียวกันคนที่เคยประพฤติชั่วมาก่อน ต่อมาภายหลังกลับใจได้ประพฤติแต่ในทางดีโอปปปาติกาที่ร้ายก็จะออกจากคนนั้นไปและจะมีโอปปปาติกาที่ดีเข้ามาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ตามปกติและเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่คนทั้งหลายไม่รู้เองโดยธรรมดา ชีวิตของคนเราย่อมถูกควบคุมโดยอำนาจลึกลับอยู่เสมอคนในสมัยก่อนที่เจ็บป่วยก็เนื่องจากเชื้อโรคซึ่งตาเรามองไม่เห็นแต่เรื่องนี้เราเพิ่งจะทราบกันเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้แต่ใครจะทราบหรือไม่ทราบเรื่องนี้ก็ได้มีมานานแล้วและในทำนองเดียวกันสิ่งที่ให้คุณแก่มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นและไม่รู้จักกันก็มีไม่น้อย เช่นพลังของแสงแดดซึ่งไม่ใช่ให้คุณแต่เพียงให้ความอบอุ่นเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างอำนาจต้านทานขึ้นในร่างกายเช่นช่วยสร้างวิตามินดีให้เกิดในร่างกายอย่างนี้เป็นต้นและพวกวิตามินต่างๆที่ได้จากอาหารนั้นก็เกิดขึ้นด้วยอำนาจของพลังต่างๆเช่นโปรโตีนไขมันซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้สัมผัสได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากกรรมวิธีของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้น จึงใคร่ที่จะขอให้พิจารณาดูให้ซึ้งว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ตลอดถึงพืชโดยทั่วไปนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งลึกลับทั้งสิ้นขอได้โปรดพิจารณาดูดังต่อไปนี้ชีวิตมนุษย์ไดเอากำเนิดมาจากสิ่งที่เล็กมากจนตาเรามองไม่เห็นสมัยก่อนเราไม่รู้ว่าชีวิตมนุษย์นี้เกิดขึ้นมาจากการผสมพัน์ระหว่างสเปิร์มกับไข่ชีวิตได้เอากำเนิดมาจากสิ่งที่เล็กมาก หลักอันนี้เดี๋ยวนี้ได้ยอมรับกันทั่วโลกแล้วเพราะถึงจะเล็กอย่างไรก็ยังสามารถมองเห็นได้ทางกล้องจุลทรรศน์แต่ขอให้พิจารณาให้ลึกลงไปอีกตามหลักพุ ท, พทธพจน์ที่ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าวิญ ญ, ญาณจะไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องมารดาได้หรือพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าเพราะเหตุนี้แหละอานนท์ ตถาคตจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเมื่อท่านเข้าใจหลักพุทธพจน์ดังที่กล่าวมาท่านก็จะเห็นว่าชีวิตได้เกิดมาจากสิ่งลึกลับและถูกควบคุมไว้ด้วยอำนาจลึกลับเป็นไปตามอำนาจของสิ่งลึกลับชีวิตไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เรามองเห็นหรือจับต้องได้เท่านั้นเช่นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาเพราะความขยัน หลักความจริงข้อนี้เห็นได้ง่ายแต่ความขยันอย่างเดียวหรือความรู้ความสามารถอย่างเดียวหรือถึงแม้จะมีโอกาสดีก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในฐานะอย่างนี้แล้วจะต้องร่ำรวยทุกคนเพราะความจริงแท้ๆหรือปัจจัยที่สำคัญนั้นก็คือคนเราจะรวยหรือไม่รวยย่อมขึ้นอยู่กับบารมีที่ได้สร้างสมอบรมมาคนที่ไม่เคยบริจาคทานหรือบริจาคแต่เพียงเล็กน้อย ทานบารมีมีไม่พอก็ไม่อาจที่จะร่ำรวยได้และในทํานองเดียวกันคนบางคนทั้งที่ได้ระวังรักษาตัวอย่างดีแต่ก็เกิดเหตุร้ายจนได้เรอวิบากของกรรมเก่าให้ผลเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณากันให้รอบคอบเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของคนเราไม่เช่นนั้นท่านจะไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ที่จะช่วยคุ้มครองหรือบรรดานิ่คนเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จงจํากดไว้อย่างหนึ่งว่าภายในโลกของวิญญาณย่อมมีความดึงดูดและผลักดันกันอยู่เสมอแม้จะอยู่ไกลแสนไกลอํนนานาจที่ว่านี้ก็ถึงกันได้ระยะทางไม่มีความหมายถ้าวิบากมีกําลังพอก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่อยู่ไกลแสนไกลให้เข้ามาหาตัวเองได้และก็ย่อมจะผลักสิ่งที่เลวร้าย หรือสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวไปเช่นเดียวกันแต่หากวิบากที่ขัดแย้งกันเกิดให้ผลเหตุไรโอปปะปาติการทั้งหลายจึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์บางคนอาจจะสงสัยว่าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์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 ถ้าท่านเข้าใจหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าสภาพร่างกายของพวกโอปะปะติกะขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจโดยตรงเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่มีจิตใจสบายอยู่เสมอมีคุณธรรมสูงจึงได้มีอายุยืนยาวอยู่ในโลกของโอปะปะติกะนานมากถ้ายิ่งได้ฌานก็จะยิ่งมีอายุยืนยาวขึ้นไปอีกนับเป็นพันๆปีหมื่นปีสปีล้านปีทีเดียว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 ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิปีย0ปีส0ปีอะไรทํานองนี้มีมากผู้ที่จะอยู่ในโลกของโอปปาติกะน น, นานๆก็คือคนที่มีบุญมากหรือไม่เช่นนั้นก็มีบาปมากแต่นี่ก็เป็นหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเท่านั้นไม่ใช่กฎตายตัว มหมายเหตุผู้อา่านในเรื่องการติดต่อกับเทพเทวดาและโอปปปาติกานั้น <c oughs> ก็ให้ระวังนะครับคนที่ติดต่อไม่ได้จริงมโนโไปเองเข้าใจผิดไปเองหรือตั้งใจหลอกลวงก็มีอยู่มากนะครับหลายคนศีลห้าคาสบันหาความดีแทบไม่ได้เลยบางคนก็แต่งตัวเพียเพ้ยนๆมีการแสดงออกแบบประหลาดลองคิดดูนะครับว่าเทพเจ้าดีๆที่ไหนจะมาเข้าทรงมาติดต่อกับคนพวกนี้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 สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่สามอย่างคือพระรัตนตรยัยเทพเจ้าและวิบากของคนเราในสมอย่างนี้วิบากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเพราะตัวการจริงๆหรือปัจจัยสําคัญที่จะบรรดาให้เกิดผลตามความต้องการนั้นไม่ใช่อนุภาพของพระรัตนตรยัยและไม่ใช่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแต่เป็นวิบากของเราเอง พระรัตนตรัยที่ถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งก็เพราะเป็นแหล่งบันดาลที่จะให้คนเราเกิดกำลังใจที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆและเป็นแหล่งที่จะทําให้เกิดแนวความคิดดีๆทําให้คิดออกในอันที่จะแก้ปัญหาต่างๆและเป็นสื่อสําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือเราเพราะความเชื่อและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั้นหากบังเกิดมีแก่ผู้ใดแล้ว ผูนั้นก็จะมีสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ตัวและจากสิริมงคลอันนี้ละ่ะที่ดึงดูดให้เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้ามาช่วยเหลือเราและไม่เฉพาะแต่เทพเจ้าเท่านั้นยังสามารถดึงดูดทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่สามารถจะช่วยเหลือเราได้เกิดความเมตตาปราณีในตัวเราทําให้การงานได้รับความสะดวกสบายทําให้วิถีชีวิตราบรื่นและที่สําคัญที่สุดก็คือ สำหรับบุคคลผู้ซึ่งมีวิบากของกุศลกำลังจะให้ผลอยู่แล้วการอธิษฐานถึงพระรัตนตรัยด้วยความเลื่อมใสอย่างจริงใจนั้นจะทำให้วิบากของกุศลนั้นผลิตผลเห็นทันตาอนหนึ่งคนใดถ้าหากมีจิตใจโน้มน้อมเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยย่อมหมายถึงว่าบุคคลนั้นรู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชา เพราะฉะนั้นสําหรับบุคคลประเภทนี้ย่อมจะต้องมีความเคารพนับถือและกะตัญญูอย่างสูงต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์และต่อบุคคลอื่นๆซึ่งแม้เขาจะมีพระคุณเพียงเล็กน้อยคนประเภทนี้ก็รู้สึกในบุญคุณอันนั้นขอให้สังเกตว่าคนที่ไหว้พระด้วยความเชื่อความเลื่อมใสและด้วยความเข้าใจอันถูกต้องนั้นย่อมหมายถึงว่าบุคคลนั้นเทิดทูนความดีอยู่เหนือสิ่งใดทั้งหมด การไหว้พระไม่เหมือนกับการไหว้บุคคลอื่นเพราะโดยธรรมดาคนเราจะไหว้กันก็ต่อเมื่อบุคคลที่เราไหว้นั้นเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่ามีฐานะดีกว่ามีตำแหน่งใหญ่กว่ามีอายุมากกว่าแต่การไหว้พระไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เลยเช่นพ่อแม่จะต้องไหว้ลูกพี่จะต้องไหว้น้องนายจะต้องไหวบ้บ่าว ญาติผู้ใหญ่จะต้องไหว้หลานของตัวเองถ้าหากบุคคลที่จะต้องไหว้นี้เป็นพระหรือเป็นสามเณรเป็นสาวกของพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าประเพณีของคนไทยเป็นเช่นนี้ก็เพราะเราต้องการจะเทิดทูนศีลธรรมให้อยู่เหนือสิ่งใดๆทั้งหมดฉะนั้นสำหรับคนที่เลื่อมใสกราบไหว้พระรัตนตรัยด้วยความเข้าใจอันถูกต้องดังที่กล่าวมานี้จึงไม่มีปัญหาอะไรที่บุคคลประเภทนี้ จะไม่เทอาทูลพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุคคลอื่นๆที่มีพระคุณอันที่จริงคนที่เคารพและกะตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั้นย่อมจะมีสิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวอยู่เสมอและความกตัญญูนี้เป็นอำนาจดึงดูดอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่และคนดีทั้งหลายเกิดความเมตตาปราณีในตัวเรา และสามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆอย่างอื่นอีกหลายอย่างเข้ามาสู่ตัวเราและในบางกรณีก็จะเห็นได้ชัดว่าคนบางคนที่รอดพ้นจากอันตรายรอดพ้นจากความหายนะก็เพราะอนุภาพแห่งความกระตันอยู่คนที่ไม่มีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์และต่อบุคคลอื่นๆที่มีพระคุณแก่ตัวเองนั้นคนประเภทนี้แม้จะมีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างไรก็ตาม จะใหญ่โตสักแค่ไหนก็ตามในที่สุดก็จะต้องประสบกับความหายนะอย่างแน่นอนซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีนิสัยกตันอยู่ยอมจะประสบแต่ความเจริญตลอดไปอย่าลืมว่าเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นจะช่วยเหลือคนเราได้ก็เท่าที่วิบากของเรามีอยู่เท่านั้นจะช่วยให้เกินไปกว่าวิบากที่เรามีอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการอ้อนวอนหรือการอธิษฐานเราจะต้องรู้จักประมาณหรือขอบเขตไม่ใช่ว่าเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดแล้วท่านจะช่วยเราได้ทุกอย่างและที่สําคัญอีกอย่างก็คือถ้าหากว่าการอธิษฐานของเราไม่เป็นผลสําเร็จก็อย่าได้เสียใจหรือเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายหรือหมดความนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอันขาดจะต้องนึกไว้เสมอว่าที่ไม่สําเร็จ ก็เป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาพระบุญกุศลของเรายัางมีไม่พออันนี้ต้องหมั่นนึกไว้บ่อยๆและต้องเชื่อมั่นทีเดียวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีจริงสามารถช่วยเหลือเราได้จริงๆวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงคนที่จะอธิษฐานหรืออ้อนวอนขอให้ใครช่วยก็ตามความปรารถนาจะเป็นผลสําเร็จ ก็ต่อเมื่อเรามีวิบากของกุศลมาอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ของคนเราจึงอยู่ที่ต้องมันสร้างแต่ความดีคนที่สร้างความดีอยู่เสมอจิตใจย่อมสบายส่วนคนที่ทําความชั่วแม้ในบางกรณีจะมองเห็นชัดว่าเพราะการโกงหรือการทุจริตนั่นแหละทําให้คนเหล่านี้เจริญขึ้นก็จริงแต่ก็อย่าลืมว่าคนที่ทําความชั่ว แต่แล้วยังไม่ได้รับผลของความชั่วนั้นเป็นเพราะอนุภาพของความดีที่คนนั้นได้สร้างสมอบรมมาในชาติก่อนๆรวมทั้งในชาตินี้ด้วยอย่างคุ้มครองเขาอยู่คนที่ทำความชั่วแล้วได้รับผลเห็นทันตานั้นเป็นเพราะไม่มีความดีคุ้มครองอนหนึ่งขึ้นชื่อว่าคนที่ทำความชั่วแล้วไม่มีแม้แต่เพียงคนเดียว ที่จะมีความสบายใจอยู่เสมอบางคนที่ทำความชั่วจนเคยชินและไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะการกระทำความชั่วเนื่องจากเคยชินเสแล้วหรือเพราะหน้าด้านเสแล้วแม้กระนั้นก็อย่าลืมว่ามันก็เหมือนกับคนที่รับประทานอาหารเผ็ดอยู่เสมอจนกระทั่งติดเขาทนเผ็ดได้และก็ชอบด้วยที่จะรับประทานอาหารเผ็ดเผ็ดแต่รั้นแล้วเขาจะต้องเป็นโรคกระเพาะ หรือเป็นโรคลำไส้ในทำนองเดียวกันคนที่ทำความชั่วบ่อยๆวิบากของความชั่วก็ยอมจะสะสมมากขึ้นโดยลำดับเมื่อวิบากของความชั่วมากขึ้นแล้วมันจะต้องก่อให้เกิดปฏิกิริยาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนเช่นคนบางคนผิดหวังเพียงเล็กน้อยถูกขัดใจเพียงเล็กน้อยเสียเปรียบแค่เพียงเล็กน้อยก็ทนไม่ได้จะคอยอะไรนานๆไม่ได้ ความหมวนมองความไม่สบายใจเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอท่านทราบหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจนั้นวิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นในสันดานวิบากของความทุกข์ที่สะสมขึ้นบ่อยๆนี่แหละคือต้นเหตุของความทุกข์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่หวังที่จะมีความสุขในปีใหม่และมีความสุขตลอดไปทุกๆปี ทั้งชาตินี้และชาติหน้าก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องพยายามหมั่นสร้างแต่ความดีให้เกิดเป็นกุศลจิตอยู่เสมอและผู้ที่มีความดีอย่างเพียงพอเท่านั้นการอธิษฐานหรือการอ้อนวอนจึงจะสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคสองหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาคหนึ่งซึ่งได้พิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2512นั้นต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรมีจริงหรือไม่ซึ่งคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เข้าใจโดยตลอดแล้วก็จะทำให้ไม่เป็นคนงมงายเกี่ยวกับการเชื่อในสิ่งลึกลับและพร้อมกันนั้นก็จะทาให้เรามีความมั่นใจ มีหลักที่ดีในการดำเนินชีวิตในเมื่อเรารู้จักยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกต้องส่วนในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่ต่อจากเล่มแรกซึ่งมีชื่อค่อนข้างยาวว่าจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรชื่อของหนังสือก็บอกให้เห็นถึงความมุ่งหมายอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะชี้แจงให้เข้าใจไว้เสียก่อนว่า หนังสือเล่มนี้ความมุ่งหมายสำคัญต้องการจะให้นักศึกษาและคนที่มีอิทธิพลในวงงานต่างๆรู้จักเอาหลักในทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาบ้านเมืองซึ่งโดยส่วนตัวข้าพเจ้ามองเห็นชัดที่เดียวว่าปรากได้ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันอย่างแท้จริงแล้วเราไม่มีทางที่จะขจัดความยุ่งยาก หรือความเดือดร้อนต่างๆให้หมดไปจากสังคมได้พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ความอยู่ร่วมกันอย่างสันติให้เกิดขึ้นในสังคมได้และก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทั้งชาติควรจะได้ตื่นจากการเป็นปู่โสมเฝ้าซั์อันมีค่ามหาศาลคือพระพุทธศาสนาลาวคือ ควรจะได้เข้ามาศึกษากันอย่างจริงจังเหมือนกับที่เราศึกษาวิชาในทางโลกในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่เราจำเป็นจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจกันอย่างแท้จริงและได้ชี้แนวทางของการศึกษาที่ถูกต้องและได้ผลคือสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าใครอ่านแต่เพียงผ่าน จับใจความสำคัญไม่ได้ก็จะไม่เห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้แต่ถ้าอ่านด้วยความตั้งใจและพยายามอ่านทบทวนโดยเฉพาะข้อความตอนที่สำคัญห ล, หลายครั้งข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าหลักการที่ข้าพเจ้าอธิบายไวในหนังสือเล่มนี้จะทำให้นักศึกษาหันมาสนใจในทางพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวางทีเดียวแล้วเราก็จะมองเห็นแสงสว่าง ในอันที่จะแก้ปัญหาต่างๆในสังคมรวมทั้งตัวเราเองได้ผลอย่างแน่นอนด้วยอันที่จริงหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้แนวความคิดมาจากการศึกษาคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารโตโพรหมรังสีวัตรคังโคสิตารามโดยเฉพาะคาถาชินบัญชรบทแรกที่ทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงแนวทางอย่างสว่าง ในอันที่จะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองอย่างได้ผลแนวความคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้นอกจากข้าพเจ้าจะได้มาด้วยการศึกษาถึงความหมายต่างๆในคาถาชิ้นบัญชอนแล้วข้าพเจ้ายังได้มีโอกาสกราบเรียนซักถามหลวงพ่อสมเด็จและเทพเจ้าองค์อื่นๆอีกหลายองค์ถึงแนวทางที่จะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองโดยส่วนตัวข้าพเจ้ารู้สึกมีความปีติเป็นอย่างมาก ที่ได้แนวความคิดเหล่านี้ออกมาเขียนเป็นหนังสือเพราะโดยลําพังสติปัญญาของข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวคงเขียนออกมาอย่างนี้ไม่ได้และข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่าตราบใดที่การพัฒนาบ้านเมืองยังไม่ได้ดําเนินไปตามหลักการเหมือนดังที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ปัญหาต่างๆถ้าหากจะแก้ได้ก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นแต่แล้วมันก็จะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นมาอีกไม่มีวันสิ้นสุด และสิ่งสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นก็คือถ้าหากว่ารัฐบาลซึ่งรวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่ด้วยได้พยายามที่จะพัฒนาบ้านเมืองไปตามหลักการที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วชาติไทยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศตัวอย่างที่ประเทศทั้งหลายจะต้องเข้ามาศึกษาและนำวิธีการของเราไปใช้แต่อย่างไรก็ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ยาก และน้อยคนมากที่จะยอมรับว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าได้พยากรณ์ไว้นี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่ถึงใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงแสงสว่างอันนี้จริงๆและก็เชื่อแน่ว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่านสือเล่มนี้จะไม่ได้รับความสนใจจากพวกนักศึกษา และจากพวกที่มีอิทธิพลในวงงานต่างๆอย่างเพียงพอซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็หมายถึงว่าชะตาของคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ดีอันหนึง่งหลักการต่างๆที่ข้าพเจ้าบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นแต่เพียงหลักใหญ่ๆซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเท่านั้นส่วนรายละเอียดหรือข้อปลีกย่อยที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามหลักการที่กล่าวไว้นี้ยังมีอีกมากมาย ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามเขียนออกมาอีกเล่มหนึ่งในระยะเร็วๆนี้เล่มนี้เป็นแต่เพียงลองเสนอแนวความคิดซึ่งนับว่าออกจะแปลกหรือแหวกแนวสักหน่อยเข้าสู่สังคมของท่านผู้รู้เพื่ อ, อย่างเสียงหรือดูปฏิกิริยากันก่อนหนังสือเล่มนี้ตลอดทั้งเล่มข้าพเจ้าเขียนออกมาด้วยความแน่ใจไม่มีตอนใดที่ข้าพเจ้ารู้สึกคลุมเครือหรือไม่มั่นใจ แต่ถ้าหากจะมีอะไรผิดพลาดหรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะได้พยายามทำออกมาอย่างดีที่สุดแล้วเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้อ่านจะตัดสินเอาเองและท่านผู้อ่านคนใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะขัดแย้งอย่างไรหรือไม่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้และข้าพเจ้าก็ยินดีรับฟังด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะพิจารณาด้วยความสนใจและด้วยความเคารพ ในทัศนคของแต่ละบุคคลข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเมื่อข้าพเจ้าถือว่าแนวความคิดอันนี้ถูกต้องดีแล้วข้าพเจ้าก็จะไม่ฟังความเห็นสักใครเลยในเมื่อความเห็นนั้นๆขัดแย้งกับหลักตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็คืออยากจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อหลักการต่างๆ ต, ตามที่ข้าพเจ้าบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึงในเมื่อข้าพเจ้าทราบแล้วก็จะได้เป็นแนวทางทําให้ข้าพเจ้าปรับปรุงเรื่องนี้ได้ดีขึ้นและจะได้รู้แน่นอนว่าหลักการเหล่านี้จะนําไปปฏิบัติได้หรือไม่เพียงไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสามอย่างวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง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 เพราะเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาสรงกว่าเทพเจ้าใดๆทั้งหมดและมีอนาคตแน่นอนว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถึงกระนั้นถ้าหากพระองค์จะเสด็จอยู่แต่ในสวรรค์ไม่ทรงจติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจจะช่วยมนุษย์และเทวดาให้พ้นจากความทุกข์ได้ตัวอย่างอันนี้โปรดพิจารณาให้ซึ้งจะได้มีหลงงมงายยึดถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งกันอย่างหลมหลงแหง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 เช่นจะทรงเทศนาโปรดใครให้ได้บรรลุมากผลก็เพราะว่าคนคนนั้นได้สร้างบา ร, รมีมาพอที่จะฟังธรรมจากพระองค์จนรู้แจ้งแทงตลอดได้แต่สําหรับคนที่บา ร, รมีไม่พอจะสังเกตได้ว่าแม้พระองค์จะทรงแนะนําสั่งสอนอย่างไรก็ไม่อาจที่จะรู้แจ้งแทงตลอดจนกระทั่งบรรลุมากผลได้ตัวอย่างเช่นนี้ในสมัยกลางพุทธกาลมีมากมายด้วยเหตุนี้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 หลักสำคัญอยู่ที่วิบากของตัวเองคนที่ทำอะไรเป็นผลสำเร็จเป็นเพราะมีวิบากของกุศลมาเพียงพอวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงชนะมาได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกได้ก็เพราะอาศัยวิบากของกุศลคือบุญบา ร, รมีของพระองค์พ่อคุณรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรสวนมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพิยะมหาราชและกษัตริย์องค์อื่นๆอีกหลายพระองค์ที่ทรงสามารถกู้ชาติได้ทรงทานุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญเป็นผลสาเร็จศัตรูทาร้ายไม่ได้ก็เพราะพระองค์ทรงมีบุญญาพินิหาร กล่าวคือได้ทรงบำเพ็ญบา ร, รมีมามากคนธรรมดาสามัญบางคนที่สามารถสร้างตัวได้เป็นผลสำเร็จเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ไร้ทำร้ายไม่ได้คล้าวคลาจากอันตรายต่างๆทั้ ง, งหมดนี้สิ่งที่ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังก็คือบุญบา ร, รมีหรือวิบากแห่งกุศลต่างๆของเขาหลักต่างๆที่กล่าวมานี้คือหลักที่สาคัญยิ่ง คนที่ได้ศึกษาถึงเรื่องวิบากเข้าใจอย่างจำแจ้งแล้วทุกคนจะรู้ได้ดีว่าวิบากของคนเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงวิบากเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่อธิบายเพราะเคยได้อธิบายมามากแล้วในหนังสือเล่มอื่นคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะสามารถเข้าใจได้จริง และเห็นด้วยกับหลักการทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเสนอนั้นก็ต่อเมื่อได้เข้าใจเรื่องวิบากเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้นถ้าหากไม่เข้าใจเรื่องนี้ท่านก็ต้องย้อนไปศึกษาเรื่องวิบากจากหนังสือเล่มอื่นเช่นหนังสือวิญญาณรวมเล่มเป็นต้นส่วนในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าต้องการเพียงอย่างเดียวคือต้องการจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถช่วยเหลือบ้านเมืองได้จริงหรือไม่และทำอย่างไร จึงจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือบ้านเมืองรวมทั้งช่วยเหลือตัวเราเองได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือสัตว์โลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสวรรค์นั้นถ้าหากไม่เสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ และพระพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้คนที่เข้าถึงพระพุทธศาสนาทุกคนทราบดีว่าพระพุทธศาสนาหรือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดสำหรับชาวโลกทั่วไปพระพุทธศาสนาได้ช่วยเหลือโลกมาทุกยุคทุกสมัยสันติสุขและความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโดยอาศัยพระพุทธศาสนานั้นมีมากมายฉะนั้น ท่านจะเห็นว่าถ้าหากพระพุทธเจ้าจะเสด็จอยู่แต่ในสวรรค์ไม่เสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือโลกได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้การที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเกิดในโลกมนุษย์และได้ทรงช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้คือความหมายที่เห็นได้ชัดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองช่วยเหลือโลกให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมากมายเพียงไร ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่มีวิบากมาดีซึ่งหมายถึงคนที่สร้างกุศลเอาไว้มากนั้นเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วย่อมทำได้เป็นผลสาเร็จเสมอเพราะความสามารถที่เกิดจากบุญบา ร, รมีของเขานั้นทำให้เขาคล้าวคล่าจะอุปสรรคและอันต ร, รายต่างๆได้และเขาก็จะพยายามทำไปได้จนกว่าจะสาเร็จคนประเภทนี้เชื่อว่าจะต้องมีอยู่ในที่ทั่ ว, วไปฉะนั้น ถ้าหากเราจะมีวิธีการอันใดที่จะช่วยให้คนที่มีบุญบา ร, รมีเหล่านี้มีความรู้ความสามารถและให้เขาได้มีโอกาสมาช่วยเหลือสังคมช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆแล้วความเจริญจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความพยายามใดๆที่จะทาให้คนที่มีวิบากมาดีให้ได้มีโอกาสศึกษาอบรมจนกระทั่งมีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆและเขาได้มีโอกาสได้ทางานในทางที่เขาถนัดอันนี้แหละ คือความหมายของคำว่าการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชาติบ้านเมืองในคำพีพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลได้ประชุมกันพิจารณาถึงความยุ่งยากและความเดือดร้อนานานับประการที่เกิดแก่โลกรวมทั้งที่เกิดแก่อุปปาติกาทั้งหลายด้วย พวกเทวดาเหล่านี้คิดจะแก้ปัญหาเหล่านี้จึงได้ปรึกษากันว่าจะได้อาศัยใครเป็นผู้แก้ปัญหาในครั้งนี้ในที่สุดเทวดาทั้งหมดได้ลงความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าคนที่จะแก้ปัญหานี้ให้แก่สัตว์โลกได้เป็นผลสาเร็จจะต้องเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีสูงถึงขนาดจะสาเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้และในขณะนี้ได้มีพระโพ ธ, ธิสัตว์อยู่องค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าของเรา ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะฉะนั้นพวกเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดจึงได้ไปทูลอัญเชิญให้เสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์คำอัญเชิญของเทวดาเหล่านั้นได้ประพันธ์เป็นคาถาไว้ว่ากาโลเยเตมหาวีระอุปชามาตุกุชียังสเทวะกังตารยันโตพุชสุอมตังปะทังข้าแต่ท่านมหาวีระบัดนี้ถึงเวลาของท่านแล้ว ที่จะลงไปเกิดในท้องของมารดาเพื่อจะได้ดรัสรู้อมตะธรรมและช่วยเหลือสัตว์โลกซึ่งพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆด้วยเถิดข้อความจากกุตการนิกายพุทธวงศ์พระไตรปิฎกเล่มที่ส3สาขอให้สังเกตว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกโดยตรง ถึงแม้เทวดาจะไม่เชิญแต่เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ต้องเสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็ยังมาเชิญและอีกแง่หนึ่งภายหลังที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเท้าสหัมบดีพรมก็ยังมาถูกนันเชิญพระองค์ให้ทรงแสดงธรรมซึ่งความเป็นจริงแม้จะไม่มีใครเชิญพระองค์ก็ต้องทรงแสดงธรรมอย่างแน่นอน ในสมัยโบราณหรือแม้ในสมัยปัจจุบันถ้าหากผู้ใดจะได้เป็นกษัตริย์ก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยก็จะได้เป็นถึงแม้จะมีบุญบา ร, รมีพอที่จะได้เป็นกษัตริย์ก็ตามก็ยังต้องมีราษฎรรวมทั้งข้าราชการทั้งหลายไปทุนอัญเชิญให้เป็นกษัตริย์ขอให้สังเกตว่าคนที่มีบุญจริงๆเขาจะไม่ตั้งตัวเขาเองขึ้นเป็นอะไรนอกจากจะมีคนทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันและขอร้องให้เขารับหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ เนเรื่องสาม ก, ก๊กเล่าปี่กว่าจะได้ของเบ่งมาเป็นที่ปรึกษาราชการก็ยังต้องอุตส่าห์เสด็จไปอ้อนวอนของเบ่งเป็นเวลาหลายวันซึ่งตรงกันข้ามกับคนบางคนที่พยายามจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาด้วยการใช้อำนาจหรือด้วยการกระทาอันมิชอบคนประเภทนี้มักจะทางานไปได้ไม่เป็นผลสาเร็จอันนี้เป็นข้อที่ควรจะสังเกตเอาไว้ด้วย สภาพของสังคมหรือสภาพของบ้านเมืองอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้คนที่มีบุญหรือคนที่มีวิบากของกุศลมาดีมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือบ้านเมืองนั้นในความหมายที่แท้จริงข้าพเจ้าหมายถึงขอให้คนที่มีวิบากของกุศลมาดีมาช่วยแก้ไขบ้านเมือง แต่ก็อย่าลืมว่าคนที่มีวิบากมาดีนั้นแม้จะมีความรู้ความสามารถสักเพียงไรก็ไม่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่เว้นไว้แต่ว่าเขาจะได้มีโอกาสมาเรียนพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเข้าใจดีและได้รับผลจากพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วเท่านั้นเขาจึงจะสามารถช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้ได้ผลอย่างเต็มที่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 พระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือไม่ใช่ส่วนที่เป็นประเพณีนั้นไม่ขัดกับความเจริญในทางโลกและไม่ขัดกับอารมณ์ส่วนบุคคลอันที่จริงพระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นเนื้อแท้จริงๆรนั้นไม่ได้ขัดกับความเจริญในทางโลกแต่อย่างใดเพราะพระพุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้ต้องเชื่อหรือต้องทาตามพระพุทธศาสนาเป็นหลักวิชาที่ว่าวดีข้อเท็จจริงต่าง ซึ่ในเมื่อเราศึกษาให้เข้าใจอย่างทองแท้แล้วเราก็สามารถจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้เสมอพูดง่ายๆว่าแม้พระพุทธศาสนาจะห้ามไม่ให้เราฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้เราโกหกห้ามไม่ให้เราทำการทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ก็จริงแต่เมื่อพูดถึงหลักของการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราจริงๆแล้วเมื่อเรายัางอยากจะฆ่าสัตว์อยากจะดื่มเหล้าอยากจะเที่ยวหรืออยากจะสนุกอย่างไร เราก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ผิดที่ว่าไม่ผิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราฆ่าสัตว์หรือดื่มเหล้าหรือทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่เป็นบาปหรือไม่มีโทษไม่ได้หมายความอย่างนี้แต่หมายความถึงว่าในเมื่อเรายังเลิกไม่ได้เพราะความจำเป็นบังคับหรือเพราะยังชอบอยู่หรือเพราะอะไรก็ตามทางพระพุทธศาสนาก็ยอมให้เราทาอย่างนั้นได้ และที่ยอมให้เราทาก็เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรารู้แจ้งว่าสิ่งเหล่านี้ที่ว่ามันไม่ดีนั้นมันไม่ดีอย่างไรทางพระพุทธศาสนาต้องการให้เรารู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเราเองเสียก่อนแล้วจึงค่อยเลิกประพฤติเช่นนั้นเพราะถ้ายังไม่เห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วมันก็จะมีอารมณ์ค้างมีความกดดันซึ่งในที่สุดก็ไม่อาจจะเลิกจากความชั่วอันนั้นได้จริงๆ ตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสียได้คือความพ้นทุกข์แต่และพระพุทธเจ้าก็ทรงสนับสนุนให้คนที่ยังมีกิเลสหนาซึ่งไม่อาจจะละได้ให้มีการแต่งงานให้มีความรักให้รู้จักสะสมทรัพย์รู้จักสร้างตัวสร้างฐานะในทางโลกทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทราบเป็นอย่างดีว่า ในเมื่อจิตใจของใครยังไม่ถึงขั้นที่จะละตัณหาได้จริงๆเขาก็ควรจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างจริงๆด้วยตัวของเขาเองจนกว่าเขาจะรู้แจ้งว่ามันไม่ดีอย่างไรและในที่สุดเขาก็เลิกได้เองเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าตามหลักการที่แท้จริงของพระพุทธศาสนานั้นไม่มีอะไรที่จะขัดกับอาชีพหรือขัดกับความพอใจของคนเรา มาเหตุผู้อ่านในที่นี้คือจะมีวิบากติดตัวไปในทุกภพทุกชาตินะครับแม้ว่าการกระทําในชาตินี้จะไม่ทําให้เบื่อให้เลิกให้เห็นจริงในสิ่งที่ชอบที่หลองอยู่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีแต่จิตก็จะสะสมวิบากและประมวลผลไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็จะได้รู้เห็นกันด้วยตัวเองว่าสุขแม้แต่ในสวรรค์นั้นก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นเพียงมายาและนํามาซึ่งความทุกข์ได้อย่างไรคําที่ว่า ในที่สุดเขาก็เลิกได้เองนั้นอาจไม่ได้หมายถึงชาตินี้นะครับกับหลายคนก็คือในชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปสุดแล้วแต่ว่าจะสะสมวิบากแหงกุศลสะสมปัญญาบา ร, รมีได้มากพอเมื่อไหรเท่านั้นนะครับคนที่ดำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณหรือตามกิเลสที่มีอยู่ในสันดานโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมะมาก่อนนั้น กว่าเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วและกว่าจะเลิกจากความชั่วได้จริงๆก็จะต้องเสียเวลานา น, านมากแต่ตรงกันข้ามคนที่เรียนรู้ธรรมะมาแล้วซึ่งเมื่อพูดอีกในยะหนึ่งก็คือรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องตัวเองมาแล้วถึงแม้จะยังเลิกประพฤติสิ่งที่ไม่ดีหรือทําอะไรตามอารมณ์ไม่ได้ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีพื้นในเรื่องธรรมะมาก่อนเพราะคนที่ได้เรียนรู้ธรรมะมาจนกระทั่งเข้าใจดีนั้น ไม่ว่าเขาจะประพฤติดีหรือประพฤติชั่วทุกอย่างที่เขาประพฤติก็จะกลายเป็นบทเรียนที่มีค่าทาให้เขาเห็นแจ้งในคาสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นโดยลำดับและในที่สุดในเมื่อได้ใช้วิบากซึ่งเปรียบเหมือนหนี้ไปจนถึงที่สุดของมันแล้วเขาก็จะเกิดความสว่างในธรรมและเลิกประพฤติความชั่วทุกอย่างได้อย่างเด็ดขาดบางคนที่มีหนี้ คือมีวิบากมาน้อยในที่นี้น่าจะเป็นอากุศลละวิบากคือวิบากในด้านไม่ดีนะครับเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับความชั่วได้ไม่นานแต่ถ้ามีวิบากมามากก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะเลิกประพฤติชั่วได้แต่ถึงจะนานสักเท่าไหร่ก็ยังเร็วกว่าคนที่ไม่มีพื้นธรรมะมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าถ้าหากตนเอง สนใจกับทางพระพุทธศาสนาแล้วจะทำให้ประกอบอาชีพไม่สะดวกแสวงหาความสุขเพลิดเพลินได้ไม่เต็มที่เพราะอะไรพระพุทธศาสนาควรจะเป็นประโยชน์ต่อ บ, บ้านเมืองอย่างสูงมานานแล้วแต่ไม่เป็น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 ถ้าพื้งฐานในทางศาสนาไม่ดีมาก่อนเพิ่งจะมาเริ่มศึกษาในตอนอายุมากนั้นไม่มีฐานที่จะศึกษาได้ผลดีเลยอันหนึง่งเนื่องจากการศึกษาทางพระพุทธศา ส, สนาจะต้องอาศัยการฝึกสมาธิประกอบด้วยจึงจะสามารถเข้าใจได้ดีและเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นถ้าหากรอให้มีอายุมากแล้ว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 หรือไม่ก็มีอารมณ์ค้างมากเป็นคนขี้วิตกกังวลและเป็นห่วงอะไรต่างๆมากมายพื้นจิตใจก็มักจะเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านต่างๆวิบากของความไม่สบายใจต่างๆที่สะสมอยู่ในสันดานก็มีมากสมองก็เสื่อมมักจะจำได้แต่เรื่องเก่าๆแล้วก็ติดอยู่ในความคิดเก่าๆถอนออกได้ยากเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุมากจึงฝึกสมาธิไม่เคยได้ ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าคนที่จะมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีก็ต่อเมื่อคนนั้นได้รับประโยชน์สามอย่างจากทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ในเมื่อบุคคลส่วนมากที่เป็นตัวจักสำคัญในการสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองนั้นรู้จักพระพุทธศาสนาแต่ในรูปของประเพณีจะเข้าใจหลักธรรมบ้างก็ไม่ค่อยจะลึกซึง้ง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 เพราะหลักการอันใดในเมื่อคนส่วนมากปฏิบัติไม่ได้หลักการอันนั้นก็ไม่ควรจะนำมาใช้กับคนส่วนใหญ่ควรจะเริ่มต้นเผยพระพระพุทธศาสนากันอย่างไรอันที่จริงข้าพเจ้าก็มีความเห็นด้วย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 ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าวิชาพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะศึกษาจากข้อเท็จจริงต่างๆได้เราสามารถจะทำให้เขาเชื่อและปฏิบัติตามได้ด้วยข้อพิสูจน์ต่างๆข้อสำคัญการสอนศาสนาในรูปนี้อย่ามัวแต่อ้างคำพีหรืออ้างเรื่องราวต่างๆในสมัยครั้งพุทธกาลที่คนในสมัยปัจจุบันพิสูจน์หรือทดสอบไม่ได้และอย่าเอาประเพณีหรือข้อบังคับ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 เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้มีโอกาสไปบวชและศึกออกมานั้นจึงรู้สึกว่าน้อยคนมากที่จะได้รับผลคุ้มค่าที่อุตส่าห์สละเวลาไปบวชและก็มีอยู่ไม่น้อยที่บางคนเมื่อก่อนบวชมีศรัทธาต่อศาสนาดีแต่พอศึกออกมาแล้วกลับไม่มีศรัทธาต่อศาสนาเพราะฉะนั้นจึงน่าจะต้องมีวิธีการอย่างใหม่ที่จะให้คนสมัยปัจจุบันเข้าถึงศาสนาได้จริง วิธีการที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพัฒนาบ้านเมืองวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองในความหมายที่แท้จริงนั้นก็คือการช่วยให้บุคคลที่มีวิบากมาดีให้ได้มีโอกาสเรียนรู้พระพุทธศาสนาจริงๆแต่ปัญหาสําคัญมีอยู่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า คนไหนมีวิบากมาดีหรือไม่ดีในสมัยโบราณแหล่งที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีมาเกิดก็คือวัดเพราะภายในวัดยอมจะมีพระที่เข้าสมาธิเก่งมีความรอบรู้ในเรื่องศาสนาและบางองค์ก็มีความรอบรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ด้วยพระประเภทนี้หละจะสามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนมีบุญมาเกิดอีกประการหนึ่ง ในสมัยโบราณวัดเป็นแหล่งชุมนุมชนซึ่งคนทุกชั้นจะต้องไปพบกันที่วัดเพราะในสมัยโบราณนั้นสังคมทุกอย่างรวมอยู่ที่วัดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระที่เป็นอาจารย์หรือพระที่มีชื่อเสียงในทางสมาธิและวิปัสสนาหรือที่มีชื่อในทางโหราศาสตร์ย่อมมีโอกาสพบคนมากมายตั้งแต่คนชั้นธรรมดาจนกระทั่งบุคคลชั้นสูงและไม่ใช่เป็นการพบกันอย่างฉาบฉวยด้วย แต่เป็นการพบกันอย่างรู้จักหัวนอนปลายเท้าทีเดียวเนื่องจากคนในสมัยนั้นนิยมไปอยู่วัดไปมอบตัวเป็นศิษย์วัดและจะต้องไปอยู่วัดมาตั้งแต่เล็กจนโตเพื่อศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆเพราะการศึกษาทุกอย่างในสมัยนั้นมีอยู่ในวัดเกือบทั้งสิน้นพระบางองค์ในสมัยนั้นในสมัยที่ยังเป็นคารวาสอยู่เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในทางใดทางหนึ่งมาแล้วก็มี ด้วยเหตุนี้วัดจึงเป็นสถานที่ศึกษาวิชาทุกอย่างและพระนนวัดที่เป็นสมภารหรือที่เป็นอาจารย์ในทางใดทางหนึ่งจึงมีโอกาสรู้จักคนได้มากการสอนศาสนาได้ผลอย่างแท้จริงเพราะผู้สอนรู้จักชีวิตของคนที่จะสอนได้เป็นอย่างดีและยิ่งพระที่เก่งในทางสมาธิและวิปัสสนาจนกระทั่งมียานพิเศษเกิดขึ้นก็จะยิ่งรู้ได้เป็นอย่างดีว่า ในบรรดาคนที่มาหาท่านหรือที่มาเป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นมีใครบ้างเป็นคนมีบุญมาเกิดแล้วท่านก็จะพยายามแนะนำบุคคลประเภทนี้ให้มีความรู้ความสามารถในอันที่จะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองจริงๆนี่คือวิธีการในสมัยโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอามาใช้แล้วเพราะคนสมัยนี้ส่วนมากที่เป็นตัวจากสาคัญของบ้านเมืองในเวลานี้ถึงแม้บางคนจะเคยอยู่วัดมาบ้าง แต่ก็ไม่ค่อยจะซึ้งในทางศาสนาเพราะไม่ค่อยจะได้เรียนวิชาทางศาสนาส่วนมากก็เพียงแต่อาศัยวัดอยู่แต่การเรียนไปเรียนนอกวัดและวิชาที่เรียนกับวิชาทางศาสนาก็ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันและความจําเป็นในทางอาชีพก็มากดึงให้คนเหล่านี้ต้องเหินห่างทางศาสนาเกือบตลอดเวลาจะมาเริ่มเข้าวัดกันอย่างจริงจังอีกทีก็มาตอนมีอายุมากหมดภาระในทางโลก ซึ่งเมื่อถึงตอนนี้การเรียนก็ไม่ค่อยจะได้ผลดังที่ได้กล่าวมาอันหนึ่งขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคำว่าคนที่มีบุญมาเกิดนั้นไม่ได้หมายเฉพาะถึงคนที่มีคุณความดีเช่นมีความเมตตากรุณาสูงมีความยุติธรรมสูงอะไรทำนองนี้เท่านั้นแต่หากหมายถึง คนที่มีสมองดีเรียนเก่งความสามารถสูงเพราะเคยเป็นผู้รอบรู้หรือเก่งในทางใดทางหนึ่งมาแล้วเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาแล้วเคยทำงานที่ยากๆเป็นผลสาเร็จมาแล้วในชาติก่อนมีกฎตายตัวอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นแม่ทัพเป็นนักปราดเป็นเศรษฐีหรือเป็นอะไรก็ตามในชาติก่อนนั้นถ้าหากในชาตินั้ น, น, นไม่ลืมตัว พยายามสร้างถึงความดีอยู่เสมอเมื่อเกิดในชาตินี้ก็มักจะต้องได้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในชาติก่อนหรือในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันกับเมื่อชาติก่อนและในทางตรงกันข้ามถ้าหากเมื่อชาติก่อนเคยเป็นโจรหรือเคยเป็นผู้ร้ายในทางไหนมาแล้วถ้าหากยังไม่ได้แก้นี้สัยอันนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้ก็มักจะต้องเป็นอย่างนั้นอีกฉะนั้นใครเป็นคนมีบุญมาในทางไหน เราอาจจะสังเกตได้จากความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่ซึ่งความสามารถอันนี้โดยธรรมดามักจะแสดงออกให้เห็นได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนหรือได้ทำงานอย่างที่เคยทำมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นตามสถาบันการศึกษาทั่วไปหรือในที่ทำงานทั่วไปบุคคลที่อยู่ในวงงานนั้นๆก็อาจจะรู้ได้ว่าใครเป็นคนมีบุญมาในทางไหนซึ่งจะทาใหรู้จักคัดเลือกบุคคล เพื่อให้เหมาะสมในอันที่จะมาทำงานพัฒนาบ้านเมืองได้ดังที่รัฐบาลได้ทำอยู่ในขณะนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองจริงๆนั้นจะมีแต่ความรู้ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีจิตใจสูงด้วยและในกรณีที่จะรู้ว่าใครเป็นคนมีจิตใจสูงหรือไม่นี้วิชาทางศาสนาเท่านั้น จะเป็นเครื่องทดสอบได้อย่างดีที่สุดเพราะถ้าหากคนไหนเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยมีความสามารถเก่งในทางใดทางหนึ่งมาและพร้อมกับเป็นคนมีจิตใจสูงด้วยนั้นในเวลามาเรียนวิชาศาสนาจะเรียนได้ง่ายมากจะเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เร็วและสามารถที่จะฝึกสมาธิได้ดีอีกด้วยถ้าหากบุคคลเหล่านี้เริ่มเข้ามาเรียนในสมัยที่ยังเป็นเด็กหรือในวัยที่ความกดดันทางอารมณ์ไม่ค่อยจะมี ด้วยเหตุนี้เองในสมัยโบราณวัดจึงเป็นแหล่งสำหรับที่จะคัดเลือกบุคคลที่จะทำงานกู้ชาติหรือช่วยพัฒนาบ้านเมืองในด้านต่างๆได้อย่างดีที่สุดวิชาศาสนาเป็นวิชาที่ละเอียดลึกซึง้งคนบางคนแม้จะเป็นคนมีสติปัญญามาสูงเรียนหนังสือเก่งทำอะไรได้ดีแต่ถ้าจิตใจไม่สูงย่อมไม่อาจที่จะเข้าถึงตัวศาสนาได้ แม้จะให้ใช้ความพยายามหรือใช้เวลามากสักเพียงไรก็ตามแต่การศึกษาในทางศาสนาเพียงเพื่อให้มีความรู้เหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สู้ยากนักถ้าหากมีเวลาพอที่จะเรียนและเท่าที่ข้าพเจ้าเคยสังเกตในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาธรรมะให้กับพระในมหาวิทยลาลัยสงและเคยฝึกสมาธิให้กับพระนักศึกษาเหล่านี้ด้วย และเคยสอนประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดถึงคนที่มีการศึกษามาดีข้าพเจ้าเห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่จะเข้าใจถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาและรู้สึกเรื่มใสยอย่างจริงใจนั้นนอกจากจะต้องเป็นคนที่มีสมองดีเข้าใจอะไรได้รวดเร็วแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเป็นคนมีพื้นจิตใจสูงเช่นมีนิสัยรักความยุติธรรมมีนิสัยเสียสละ มีนิสัยที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาและมีความตั้งใจจริงที่จะทำอะไรให้เป็นผลสาเร็จมีความเพียรสูงรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่นิสัยเหล่านี้จะต้องมีอยู่อย่างมากทีเดียวและต้องมีมาแล้วตั้งแต่เด็กๆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดคนประเภทนี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงศาสนาได้ง่าย แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวนพระภิกษุสามเณรที่มีอยู่ทั่วประเทศนับจํานวนเป็นแสนนั้นมีอยู่เหมือนกันที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่ดีดังที่กล่าวมานั้นซึ่งจะสังเกตได้จากการเรียนและการประพฤติปฏิบัติในทางธรรมวิเนยแต่ถึงกระนั้นเนื่องจากภิกษุหรือสามเณรที่ว่านี้มักจะขาดประสบการณ์ในทางโลกเพราะฉะนั้นถึงแม้ท่านจะมีความรู้ดีทางศาสนา และเป็นผู้ปฏิบัติชอบก็จริงแต่การที่จะเผยแพร่ศา ส, สนาให้เป็นประโยชน์แก่โลกจริงๆก็ทำได้ผลไม่มากนักไม่เหมือนกับคนที่มีความรู้ดีทั้งในทางศาสนาและมีประสบการณ์ในทางโลกมามากด้วยเพราะผู้ที่จะทำการสอนศาสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นจะต้องเป็นโลกาวิถูด้วยคือรู้แจ้งโลกด้วยและอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความเสียหายแก่วงการศาสนาไม่น้อยก็คือพระที่มีความรู้ความสามารถดีเหล่านี้มักจะไม่อยู่เป็นพระตลอดไปทั้งนี้ก็เพราะตัวเองยังขาดประสบการณ์ในทางโลกความอยากรู้อยากเห็นในทางโลกยังมีอยู่มากฉะนั้นในเมื่อตัวเองยังเป็นห่วงว่าจะอยู่เป็นพระตลอดไปไม่ได้ก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องขวนขวายหาทางศึกษาวิชาอาชีพ หรือไม่ก็สะสมเงินทองเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกออกไปประกอบอาชีพในทางโลกและในเมื่อศึกออกไปแล้วก็มักจะไปทำงานอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการเผยพระศาสนาโดยตรงส่วนผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับในวงศาสนาอยู่บ้างเช่นไปเป็นอนุศาสนาจาร์อยู่บ้างก็ยังมีเป็นจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความจำเป็นของประเทศชาติ การเผยแพ ร, ร่ศาสนาก็คือการทำสงครามจิตวิทยาแบบหนึ่งเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่เข้าใจถูกกับคนที่เข้าใจผิดระหว่างธรรมะกับอธรรมด้วยวิธีการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงแห่งการใช้เหตุผลและข้อเท็จจริงต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฝ่ายที่จะถูกชักจูงมีความรู้เหนือกว่าเลยวฉลาดกว่าบุคคลที่เป็นฝ่ายชักจูง ก็ยอมจะทำงานไม่ได้ผลและนี่คือความเสียเปรียบที่มีอยู่ในวงการศาสนาทั่วโลกเพราะสมัยนี้ไม่ว่าในศาสนาไห น, ไหนคนที่มีสมองดีสติปัญญาดีไม่นิยมเรียนในทางศาสนาส่วนผู้ที่เข้ามาเรียนในทางศาสนาถึงแม้จะมีบุคคลที่ฉลาดมีสมองพิเศษมาตั้งแต่เกิดสามารถที่จะเรียนรู้อะไรไดรวดเร็วมีอยู่ก็จริง แต่บุคคลประเภทนี้ก็มีน้อยและที่มีอยู่บ้างนั้นก็มักจะอยู่เป็นพระตลอดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่วงการศาสนายังไม่มีวิธีที่จะชักจูงให้คนที่มีสมองดีปัญญาดีมาตั้งแต่เกิดให้เข้ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนาจนกระทั่งรู้ถึงแก่นถึงเนื้อแท้และได้รับประโยชน์ทั้งสอย่างดังที่กล่าวมาแล้วการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ยังไม่ได้ผลโดยสมบูรณ์ อย่าลืมว่าคนที่จะเป็นผู้นำในทางศาสนานั้นจะต้องเป็นเพหูสูตรคือต้องเรียนมากต้องรอบรู้หลายอย่างซึ่งคนที่จะทำได้อย่างนี้ก็คือคนที่มีความจำดีเข้าใจอะไรได้รวดเร็วจึงจะสามารถเรียนได้มาก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 วิธเลือกหาบุคคลที่สามารถจะพัฒนาบ้านเมืองได้ผลจริงๆวิบากคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงถ้าหากเราได้คนดีคือคนที่มีวิบากมาดีมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองบ้านเมืองต้องเจริญอย่างแน่นอนเพราะคนที่มีวิบากมาดีนั้นถ้าหากมีอยู่ในวงงานใดก็พาให้วงงานนั้นเจริญมีอยู่ในครอบครัวใด ครอบรัวนั้นก็จะเจริญปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนไหนมีวิบากมาดีหรือไม่ดีข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าสมัยโบราณแหล่งที่จะรู้ว่าใครมีวิบากมาดีหรือไม่ดีก็คือวัดและผู้ที่จะรู้จริงๆก็คือผู้ที่เก่งในทางสมาธิและวิปัสสนานี่คือหลักการที่สาคัญที่สุดแต่ทุกวันนี้เราจะรู้ว่า ใกลเก่งหรือไม่เก่งมีความสามารถในทางไหนก็คือสถาบันการศึกษาต่างๆถ้าคนไหนสำเร็จการศึกษามาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเราก็ยอมรับกันว่าเขามีความสามารถในทางนั้นเก่งในทางนั้นแต่จงสังเกตดูให้ดีว่าในสถาบันต่างๆเหล่านี้ถึงแม้จะมีการสอนศีลธรรมมีการเรียนทางศาสนาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ผลตามหลักการสามอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้แน่ว่าใครเป็นคนมีวิบากมาดีหรือไม่ดีเพียงแต่รู้ว่าใครเก่งในทางไหนเชี่ยวชาญในทางไหนแต่นี้เมื่อ ย, ยังไม่รู้ถึงจิตใจที่ลึกซึ้งก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าคนไหนเป็นคนที่มีวิบากมาดีใครกันแน่ที่จะสามารถทำการกู้ชาติบ้านเมืองได้จริงๆอย่าลืมว่า สถาบันที่จะให้ความสว่างในความรู้ที่กระจายในเรื่องนี้ยังไม่มีเพราะว่าเราไม่มีสถาบันแม้แต่เพียงแห่งเดียวที่จะให้ความรู้ในทางศาสนาอย่างชนิดที่ได้ผลตามหลักการที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นจึงมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรู้แน่ว่าใครจะมีวิบากมาดีหรือไม่ดีก็คือถ้าหากบุคคลเหล่านั้นได้เข้ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนาตามวิธีการที่ถูกต้อง และได้มีโอกาสฝึกสมาธิและวิปัสสนาจนได้ผลแก่ตัวเองแล้วตัวเขาเองนั่นแหละจะรู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนที่มีวิบากมาดีหรือไม่และโดยเฉพาะผู้ที่ทำการสอนซึ่งถ้าหากเป็นผู้ที่เช่ยวชาญจริงๆแล้วจะดูสิทธิ์ของตนเองไม่ยากว่าสิทธิ์คนไหนมีวิบากมาดีหรือไม่ดีเพราะจากการเรียนวิชาธรรมนี้จะทาให้อย่างรู้ถึงจิตใจคนได้โดยไม่ยาก เพราะวิชาธรรมะไม่เหมือนวิชาอื่นคือคนที่มีวิบากมาไม่ดีแม้ให้พยายามเรียนอย่างไรให้ใช้เวลามากสักเพียงไรก็ไม่อาจที่จะเข้าใจซึ้งในศาสนาและเมื่อถึงตอนนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาคนที่มีวิบากมาไม่ดีก็ยากที่จะปฏิบัติให้ได้ผลแต่ตรงกันข้ามคนที่มีวิบากมมาดีจะผ่านไปได้อย่างง่ายดาย การศึกษาและการปฏิบัติในทางศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องกลั่นกรองให้รู้แน่ชัดว่าใครมีวิบากมาดีและไม่ดีอันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่มีจิตใจไม่สูงถ้าเป็นคนมีความฉลาดมีอำนาจหรือมีฐานะการเงินดีคนประเภทนี้มักจะเป็นภัยต่อสังคมเสมอทุกวันนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็วังแต่ในทางที่จะสร้างให้นักศึกษามีความสามารถในอันที่จะประกอบอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายของงานนั้นๆส่วนปัญหาในด้านจิตใจเราก็คำนึงถึงกันอยู่และก็พยายามที่จะแก้ไขเพื่อให้คนเรามีศีลธรรมให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่แต่เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ได้แสดงให้เห็นออกมาอย่างชัดเจนว่าการอบรมในด้านศิลธรรมไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนต่างๆจึงมีอยู่ทั่วไปและจากการค้นคว้าในด้านศาสนามานานนับเป็นสิบสิบปีนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้ากล้าที่จะพูดได้อย่างแน่ใจที่สุดว่าสถานการณ์ต่างๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะแก้ไขยังได้ผลคือการขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาพัฒนาบ้านเมือง ซึ่งในความหมายที่กล่าวนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนวงสงฆ์เทพเจ้าเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงก็คือวิบากของคนเราเพราะฉะนั้นทางที่จะได้ผลจริงๆก็คือเราจะต้องหาทางให้คนที่มีวิบากมาดีให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้ผลตามหลักสามประการ ตราบใดยังไม่ได้ผลตามหลักสาประการนี้ก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขต่อไปอีกและจะต้องมีการลงทุนให้เพียงพอเพื่อให้ได้ผลตามหลักสาประการนี้จนได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจที่จะแก้ไขอะไรได้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีดำเนินงานเพื่อที่จะให้ได้ผลดังที่กล่าวเมื่อนี้ ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องลงทุนกันมากมายและไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียเวลามากทั้งนี้ก็เพราะมีกฎตายตัวอยู่แล้วว่าสำหรับคนที่มีวิบากมาดีในเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเรียนทางศาสนาแล้วจะเรียนได้ง่ายมากและเสียเวลาน้อยในสมัยครั้งพุทธกาลหรือแม้ในสมัยต่อๆมาเราจะพบว่าบางคนฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุมากผล บางคนเมื่อก่อนเป็นคนเห็นแก่ตัวโหวดร้ายชอบเบียดเบียนผู้อื่นและบางคนก็มีทิฏฐิจัดถือความเห็นส่วนตัวเป็นใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้มาพบกับพระหรือบางทีก็พบกับคารวะที่มีความสามารถในการแนะนําเพียงไม่นานเท่าไหรก็กลับใจได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันนี้ก็จะได้ผลอย่างเดียวกัน ข้าพเจ้ามีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือเท่าที่ข้าพเจ้าเคยพบมานั้นปรากฏว่าคนที่ชอบไปวัดเป็นประจำไปตามประเพณีหรือไปตามความเคยชินในกลุ่มคนประเภทนี้คนที่มีสมองหรือมีสติปัญญาที่สามารถจะเข้าใจถึงเนื้อแท้ของศาสนามีไม่มากนักแต่ตรงกันข้ามคนที่เคยตั้งตัวเป็นปฏิบัติต่อศาสนาไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบศึกษาธรรม แต่พอได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องกลับปรากฏว่าเข้าใจธรรมะได้ดีเข้าใจได้รวดเร็วและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และกลายเป็นคนที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างแท้จริงคนประเภทนี้ข้าพเจ้าเคยพบมามากแล้วซึ่งในจำนวนคนที่พบนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าถ้าหากเราจะได้มีวิธีการที่เหมาะสม และให้ความสะดวกเป็นอย่างดีแก่ผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนาอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบ้านเมืองที่ได้ผลแน่นอนและอย่าลืมว่าเราจะต้องพยายามหาทางให้คนทุกๆชั้นทุกๆเพศทุกๆวัยและทุกๆอาชีพให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและปฏิบัติจนกว่าเขาเหล่านั้นจะได้ผลตามหลักสามประการดังที่กล่าวมาแล้ว หอย่าลืมว่าผู้ที่จะสามารถแนะนําผู้อื่นได้ดีนั้นตัวเองจะต้องได้ผล3ประการนั้นด้วยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องชีวิตของคนที่เราจะสอนรอบรู้ในเหตุการณ์ของบ้านเมืองและที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องติดตามความคิดของคนที่จะสอนทันการที่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือเราจะต้องให้ความสะดวก และหาทางชักจูงให้คนทุกๆอาชีพเข้ามาศึกษาในทางพุทธศาสนาแต่ที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าจะให้มากันทุกคนเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้ามีความหมายแต่เพียงว่าจะต้องมีบุคคลที่เป็นตัวแทนที่มาจากอาชีพต่างๆบุคคลที่ว่านี้ก็คือคนที่มีวิบากมาดีคนประเภทนี้โดยธรรมดาย่อมมีอยู่ในทุกอาชีพ แล้วเราจะต้องพยายามสร้างคนทุกๆอาชีพให้มีความสามารถในอันที่จะแนะนําผู้อื่นได้ด้วยนี่คือหลักการโดยส่วนใหญ่ของการที่จะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองและเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดเป็นหลักการอันดับแรกที่จะต้องทําให้สําเร็จ เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์จะสามารถคุ้มครองและช่วยพัฒนาบ้านเมืองได้หรือไม่คำว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองนั้นนอกจากจะมีความหมายถึงบุคคลที่มีวิบากมาดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วความหมายอีกข้อหนึ่งก็คือการขอร้องให้อุปปาติกะผู้เป็นเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือหรือขอร้องให้วิญญาณของบรรพบุรุษ ผู้เคยทำการกู้ชาติเคยสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองมาแล้วให้มาช่วยเหลือแล้วรวมทั้งการเชื้อเชิญผู้ซึ่งเคยเก่งหรือเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ขณะนี้เป็นโอปปาติกะให้มาช่วยเหลือบ้านเมืองหรือให้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆด้วยข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้ในตอนต้นๆของหนังสือนี้มาแล้วว่าโดยธรรมดาโอปปปาติกาทั้งหลาย ย่อมจะอยู่เบื้องหลังการกระทาของมนุษย์เราอยู่เสมอโดยที่คนเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเช่นคนที่เป็นหมอก็มักจะมีหมอที่เป็นโอปปปาติกะมาคอยดลใจคอยชักจูงคนที่เป็นนักศิลปะก็จะมีโอปปปาติกะที่เป็นศิลปินคนที่เป็นนักการเมืองนักปุกรองนักเศรษฐกิจนักการศาสนาหรือนักอะไรก็ตาม ก็มักจะมีโอปปปาติกะประเภทเดียวกับตนเองมาคอยช่วยเหลือและในทนองเดียวกันคนที่มีจิตใจต่ำประพฤติตัวในทางอบายามุกหรือเป็นคนโหดร้ายทารุณรวมความว่าตัวเองประพฤติมาในทางไหนมีวิบากมาอย่างไรก็มักจะมีโอปปปาติกะที่มีวิบากอย่างเดียวกันกับตัวเองมาคอยช่วยเหลือมาสนับสนุนซึ่งบางทีในกลุ่มคนที่มาช่วยนี้ อาจจะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆก็มีเช่นเคยเป็นพ่อแม่กันมาหรือเป็นลูกกันมาเคยเป็นสามีภรรยากันมาเป็นพี่น้องเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นศิษย์เป็นเพื่อนอย่างนี้ก็มีแต่ที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก็มีแต่โดยปกติแล้วมักจะต้องมีความสัมพันธ์กันมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งความจริงในเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นที่รู้กันดี ในกลุ่มของบุคคลที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องวิญญาณและตามคติโบราณซึ่งดูเหมือนจะมีด้วยกันทุกชาติก็เคยเชื่อกันอย่างนี้มานานเพิ่งจะมาเลิกเชื่อกันโดยส่วนใหญ่ก็เมื่อตอนที่ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุเจริญขึ้นและมีอิทธิพลแพร่หลายทั่วไปในหมู่ประชาชนและทั่วโลกแต่แล้วในที่สุดเนื่องจากความเจริญในทางวัตถุ ได้สร้างความเดือดร้อนที่เป็นเสมือนหนึ่งลูกโซ่ให้เกิดขึ้นไม่รู้จักสิ้นสุดจนคนทั่วไปในสมัยนี้ได้เริ่มมองเห็นถึงภัยอันร้ายแรงที่เกิดจากความเจริญฝ่ายวัตถุและได้มีคนบางกลุ่มซึ่งมีอยู่ทุกทุกประเทศที่ได้มองเห็นภัยอันนี้ได้พยายามที่จะหาทางแก้และหลังจากที่ได้พยายามคิดกันด้วยวิธีอื่นมาทุกๆวิธีแล้ว ก็ยังไม่เห็นทางที่จะระ ง, งับหรือกำจัดความเดือดร้อนที่เกิดจากความเจริญในด้านวัตถุได้พวกเหล่านี้จึงได้หันมาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทางศาสนาและในที่สุดบุคคลในกลุ่มนี้ซึ่งเวลานี้ก็มีทุกชาติทุกศาสนาได้เริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตหลังจากตายแล้วเริ่มมีการติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้ซึ่งวิธีการติดต่อนี้แต่แรกทีเดียวก็มีการผิดพลาด และมีการหลอกลวงจากคนที่มีนิสัยหลอกลวงอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่รักความจริงมีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันบุคคลในกลุ่มนี้เองที่การศึกษาค้นคว้าของเขาได้ประสบความสําเร็จและได้สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยกล่าวคือในเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้พบความจริงด้วยตนเองที่ปราศจากข้อสงสัยใดๆแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็จะทำให้มีศรัทธาตั้งมั่นอยู่ตลอดไปกล่าวคือเขาจะเชื่ออย่างแน่วแน่ทีเดียวว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วยังมีชีวิตและก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่น่าสนใจน่าศึกษายิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์จากการศึกษาค้นคว้าเป็นผลสาเร็จในแขนงนี้เองได้ทำให้มนุษยชาติเริ่มมีความหวังที่จะเห็นโลกดิมรงอยู่ในสันติชั่วการละนาน ซึ่งจะมีความเจริญทั้งในด้านวัตถุและในด้านจิตใจคู่ขนานกันไปความรอบรู้ในเรื่องบิญญาณที่ถูกต้องและชัดเจนซึ่งในเมื่อแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วอันนี้คือรากฐานอันสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองทำให้คนเรามีศรัทธาในอันที่จะสร้างแต่ความดีซึ่งนั้นย่อมหมายถึงว่าเขาจะทาอะไรเขาจะต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอ และพร้อมกันนี้เขาก็จะมีความสบายใจอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ ห, หรือในภาวะใดๆในตอนนี้ศา ส, สนาทุกศาสนาจะเริ่มมีชีวิตชีวาและมีอิทธิพลในสังคมคำสอนในทางศาสนาซึ่งเป็นหลักการปกครองที่ดียิ่งกว่ากฎหมายมากมายนั้นก็เริ่มจะมีความศักดิ์สิทธิ์คือคนจะเคารพในหลักศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นการเคารพด้วยศรัทธา จากการที่บรรยายมาโดยสังเขนี้ท่านจะลายเห็นว่าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากมายหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำสอนในบางศาสนาที่สอนผิดหรือตีความผิดหรือมีการตกแต่งคำสอนเข้าไปในภายหลังนั้นให้สังเกตนะครับว่า ถ้าเข้าใจเรื่องโลกหลังความตายอย่างถูกต้องก็จะมองเห็นได้ชัดว่าจุดไหนผิดพลาดไม่ควรเชื่อหรือไม่น่าจะเป็นคำสอนของศาสดาหรือแม้แต่จะทำให้ตีความคำสอนได้ถูกต้องตรงนัยยะของศาสดามากขึ้นที่มีปัญหากลายเป็นสงครามศาสนากันนั้นส่วนใหญ่ก็เพราะการตีความผิดจากการไม่รู้เรื่องหลังความตายอย่างถูกต้องนั่นเองแนะนําให้ฟังหรืออ่านหนังสือโลกทิพย์ซึ่งมีทั้งหมดสี่ภาคที่เขียนโดยนักบวชที่ไม่ใช่พุทธ แต่กลับมีความรู้ถูกต้องและอธิบายชีวิตหลังความตายได้ตรงกับกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกยังไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎสากลเป็นกฎตามธรรมชาติเหมือนเกลือที่ไม่ว่าชาติไหนมาชิมก็ต้องเค็มทุกคนโดยธรรมดาคนที่จะเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วก็ยังมีชีวิตก็ต่เมื่อได้เคยเห็นข้อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะมาแล้วและถ้ายิ่งตนเองเคยได้รับประโยชน์จากคาแนะนําซึ่งโอปปาติกะเป็นผู้บอกให้ก็ยิ่งจะทําให้ความเชื่อแน่นแฟนยิ่งขึ้นสําหรับตัวข้าพเจ้าได้เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มามากเป็นเวลานานถึง10ปีแล้วเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจึงมีความเชื่ออย่างสนิทว่าโอปปาติกะโดยปกติก็พยายามช่วยเหลือเราอยู่เสมอ โดยที่เราไม่รู้สึกตัวและถ้าหากใครสามารถจะติดต่อกับโอปะปะติกะได้อย่างถูกต้องเขาผู้นั้นก็จะได้รับความรู้หรือข้อคิดต่างๆอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงทีเดียวจนกระทั่งทาให้แน่ใจว่าเราสามารถจะได้รับความช่วยเหลือทุกๆอย่างไม่ว่าในด้านไหนคือจะเป็นไปในด้านการปกครองการศึกษาศิลปะหรือในด้านอะไรก็ตามเราสามารถได้รับความช่วยเหลือ เสมือนหนึ่งเราได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์หรือจากผู้เชี่ยวชาญในโลกมนุษย์เป็นความจริงที่ว่าความสามารถไม่ได้สูญเสียไปพร้อมกับความตายกล่าวคือในสมัยที่ยังเป็นคนอยู่เคยมีความรู้ความสามารถอย่างไรเมื่อตายไปแล้วก็ยังมีความสามารถเหมือนเดิมโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่และนอกจากนี้ สำหรับคนที่มีพื้นไปดีจากโลกมนุษย์ก็จะสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมในโลกของโอปปาติกะได้อีกสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งในโลกของโอปปาติกะก็คือสำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้อย่างเพียงพอนั้นเมื่อตายไปเกิดอยู่ในโลกของโอปปาติกะแล้วจะไม่มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่เลยเพราะในโลกของโอปปาติกะไม่มีการประกอบอาชีพไม่มีการใช้เงินไม่มีการแข่งขัน หรือแย่งหากินเหมือนในโลกมนุษย์คนที่มีบุญจะมีชีวิตอยู่อย่างอิสระจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวเองและที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่มีบุญก็มักจะมีอายุยืนยาวอยู่ในโลกทิพนิานานมากซึ่งจะมากแค่ไหนก็สุดแล้วแต่บุญกุศลที่สร้างมาส่วนในโลกมนุษย์อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ โดยเกณฑ์ทั่วไปคนเราก็มีอายุไม่เกินร้อยปีแต่ในโลกของโอปปาติกะผู้ที่มีอายุนับเป็นร้อยร้อยปีพันพันปีหมื 10, ่นหมืปีและที่มากกว่านี้ก็ยังมีด้วยเหตุนี้คนที่ฉลาดและมีความสามารถจริงๆนั้นจะหาได้โดยไม่ยากในโลกของโอปปาติกะเพราะโดยธรรมดาคนที่ยังมีกิเลสชีวิตจะไม่มีการสูญถ้าไม่อยู่ในโลกมนุษย์ก็จะต้องอยู่ในโลกของโอปปาติกะ หมุนเวียนไปมาอย่างนี้อยู่เสมอในโลกมนุษย์คนบางคนแม้จะเก่งสักเพียงไรแต่แล้วก็อยู่ได้ไม่นานและทุกคนที่เกิดมาใหม่ในโลกมนุษย์นั้นถึงแม้ในชาติก่อนจะเคยเป็นคนฉลาดมาแล้วก็จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เสมอมีแตกต่างกันก็แต่เพียงว่าคนที่เคยฉลาดมาแล้วเมื่อมาเรียนอะไรที่ตรงกับความฉลาดในชาติก่อนของตนก็จะเรียนได้ง่ายและเร็ว ส่วนคนที่ไม่ค่อยฉลาดมาตั้งแต่ชาติก่อนเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้จะเรียนอะไรก็ช้าแต่จะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเริ่มต้นกันใหม่ทั้งนั้นซึ่งผิดกับในโลกของโอปปปาติกะไม่มีการเริ่มต้นกันใหม่เพราะการเกิดใหม่ในโลกของโอปปปาติกะนั้นเหมือนกับเมื่อเรานอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นการนอนหลับเปรียบเหมือนกับความตายส่วนการตื่นขึ้นเหมือนกับการเกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะ ชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตภายในไม่มีการตายไม่มีการสูญเสียซึ่งความจริงข้อนี้จะเห็นได้ชัดในโลกของโอปปะปติกะเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดคนที่มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆทุกๆสาขาจึงหาได้โดยไม่ยากในโลกของโอปปะปติกะและบุคคลเหล่านี้ก็คือคนที่เคยฉลาดเคยมีความรู้ความสามารถมาแล้วเมื่อสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั่นเอง และคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือมนุษย์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะติดต่อกับเขาได้โดยตรงซึ่งข้าพเจ้าหมายความถึงว่าถ้าสามารถเข้าสมาธิได้ดีจนกระทั่งมองเห็นและพูดกับคนในโลกนี้ได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถจะได้รับความช่วยเหลือในด้านคำแนะนำต่างๆอย่างมากมายซึ่งจะทาให้การดาเนินงานในโลกของมนุษย์ก้าวหน้ายังรวดเร็วขึ้นอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ดีอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเทพเจ้าแม้จะยิ่งใหญ่สักเพียงไรก็จะช่วยเหลือใครเกินกว่าวิบาที่เขามีอยู่ไม่ได้ความจริงข้อนี้ต้องหมั่นสำนึกบ่อยๆมิฉะนั้นท่านจะกลายเป็นคนเพอ้อฝันหลงละเมอคิดแต่จะพึ่งโอปปปาติกะอย่างเดียวจนกระทั่งในที่สุดตัวเองกลายเป็นคนอ่อนแอไรสมรรภาพไม่คิดพึ่งตัวเองไม่พยายามทาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ อันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดพูดง่ายๆว่าแม้ว่าเราจะสามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องพึ่งคนที่เป็นสื่อกลางเลยก็ตามแต่มันก็จะเหมือนกับว่าแม้ว่าเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแม้ว่าพระองค์จะทรงมีความเมตตาต่อเรามากและรู้จักเราเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากเราอ่านหนังสือไม่ออกความรู้ความสามารถต่างๆของเราไม่มีจงลองพิจารณาดูว่า ในหลวงจะทรงช่วยเราได้สักแค่ไหนจะช่วยให้เราได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจะช่วยให้เราเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราปรารถนานั้นจะสำเร็จได้ทุกอย่างหรือไม่ข้อนี้ฉันใดแม้ว่าท่านจะได้พบกับเทวดาพูดกับเทวดาได้แต่ถ้าหากวิบากของกุศลของเรามีน้อยท่านก็คงจะช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้มากนะัก ความจริงในโลกของโอปปาติกะก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกับในโลกของมนุษย์เช่นในโลกมนุษย์นี้ถ้าหากเราเป็นคนธรรมดาไม่ใช่คนที่มีความรู้ความสามารถดีเด่นในทางใดทางหนึ่งก็เป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนใหญ่คนโตมาหาเราหรือมาสนใจในตัวเราในทำนองเดียวกันแม้เราจะสามารถติดต่อกับโอปปาติกะได้ด้วยตัวเราเองหรือจะอาศัยคนอื่นเป็นสื่อกลางก็ตาม แต่ถ้าหากเราเป็นคนที่มีวิบากของกุศลมาน้อยเป็นคนไม่เคยมีความดีเด่นในทางใดทางหนึ่งไม่เคยเป็นใหญ่เป็นโตมีทางใดทางหนึ่งมาเลยในอดีตชาติก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะขอร้องให้อปปาติกะชั้นสูงมาติดต่อกับเราเพราะฉะนั้นจงอย่าไปหวังว่าเราจะได้รับความช่วยเหลืออะไรได้ทุกอย่างจากอปปาติกะชั้นสูงเพราะถึงอย่างไร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงก็คือวิบากของเราเองฉะนั้นในเมื่อวิบากของเราไม่ถึงขั้นที่ท่านจะช่วยได้ท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้อันที่จริงในโลกมนุษย์คนที่มีบุญมากมีวิบากในทางกุศลมามากก็มีอยู่ไม่น้อย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็พร้อมที่จะเป็นสื่อหรือเป็นจุดที่ทำให้โอปปปาติกะที่ดีทั้งหลายเข้ามาติดต่อเข้ามาช่วยเหลือเช่นถ้าหากเราเป็นหมอที่เก่งอยู่แล้วก็ยอมจะมีโอปปปาติกะที่เป็นหมอซึ่งเก่งเท่ากับเราหรือเก่งกว่าเรามาให้ความช่วยเหลือและในทํานองเดียวกันถ้าเราเก่งหรือเชี่ยวชาญหรือเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาในทางไหนในอดีตชาติ โอปปปาติกะที่มีความสามารถในระดับสูงก็พร้อมที่จะมาให้ความช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำในการทำงานต่างๆความหวังในลนนักษณะนี้ไม่ใช่เป็นความเพอ้อฝันแต่เป็นความหวังที่เป็นไปได้อย่างแน่นอนถ้าหากเราสามารถจะติดต่อกับท่านได้โดยตรงฉะนั้นการที่เราจะขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองในความหมายดังที่กล่าวมานี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้เราจะไม่ขอร้องแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีวิบากมาดีโอปปปาติกาที่ดีหรือเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยธรรมดาก็มาสมาให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วแต่เนื่องจากเรามองไม่เห็นตัวท่านไม่ได้ยินเสียงของท่านฉะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าท่านมาช่วยเหลือแต่ถึงกระนั้นเราก็ควรจะต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ที่จะสามารถรับความช่วยเหลือจากโอปปาติกะได้โดยไม่รู้สึกตัวนี้จะต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีพอสมควรและตัวเองจะต้องเป็นสื่อพอสมควรด้วยคนส่วนมากมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือของโอปปะติกะแบบโดยไม่รู้สึกตัวนี้ก็เนื่องจากในชีวิตประจําวันใจไม่ค่อยจะสงบไม่ค่อยมีสมาธิความมีตกกังวลความไม่สบายใจต่างๆ อันนี้คือกำแพงที่กางกั้นไม่ให้เราได้รับความช่วยเหลือจากโอปปาติกะแต่ถ้าหากเรามีความสงบมีสมาธิอยู่เสมอในชีวิตประจำวันก็มักจะได้รับการโดนใจหรือการชักจูงจากโอปปาติกะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเพลสสำคัญในอันที่จะให้ตัวเราได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากโอปปาติกะก็คือต้องหมั่นฝึกสมาธิและทาใจให้สบายอยู่เสมอ ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาสามารถที่จะช่วยเพิ่มพูนสมรถภาพให้กับคนเราได้โดยอาศัยวิธีทางสมาธิกล่าวคือสำหรับคนที่ฝึกสมาธิอยู่เสมอและเข้าสมาธิได้ดีนั้นสมถภาพจะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุสองประการคือ 1. เกิดจากความสามารถภายในตัวเราเองหมายความว่าในเมื่อจิตของเราสงบนิวรณทั้งห้ามครอบงา ทุกคนไม่ว่าใครถ้าจิตยอยู่ในภาวะอันนี้แล้วความคิดอ่านจะว่องไวอย่างยิ่งจำอะไรก็ง่ายเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งและยิ่งเป็นคนที่มีความรู้มากมีประสบการณ์มามากความฉลาดความสามารถจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีปฏิพาน์ในการแก้ปัญหาต่างๆได้มากมายแต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้น้อยมีประสบการณ์มาน้อยหรือเป็นคนที่พื้นเดิมไม่ค่อยจะฉลาด ไม่เคยมีความรู้อะไรที่ลึกซึง้งสมรรถภาพก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันแต่จะเทียบกันไม่ได้กับคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีมาแล้วเพราะมันเหมือนกับคนที่มีทุนน้อยแม้จะค้าขายได้คล่องแต่ก็จะสู้คนที่เขามีทุนมากซึ่งในเมื่อเขาค้าขายคล่องเหมือนกันกําไรที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นจะผิดกันอย่างมากมายสอง เกิดจากการโดนบันดาลหรือการชักจูงของโอปปปาติกะทั้งหลายหมายความว่าในขณะที่ใจเราสงบเป็นสมาธินั้นในจังหวะนี้โอปปปาติกะทั้งหลายที่จะให้ความช่วยเหลือเรานั้นจะสามารถชักจูงความคิดของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้ง่ายหรือทำให้เรามองเห็นทางที่จะแก้ปัญหานั้ น, น, นได้ง่ายและถ้าหากเราสามารถที่จะติดต่อได้เอง คือสามารถที่จะเข้าสมาธิไปเห็นและพูดกับท่านได้โดยตรงอันนี้จะทำให้เราได้รับผลในการเพิ่มพูนสมรรถภาพมากมายแต่จะมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิบากของเราเช่นคนที่มีวิบากมาดีมากเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาแล้วเคยผ่านงานที่ยากๆมาแล้วแต่เขาสามารถติดต่อด้วยตัวเองได้เขาก็จะกลายเป็นอริยมนุษย์ มีความสามารถเหนือคนอื่นมากมายมหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องจิตเป็นสมาธิให้ร่างกายพร้อมเป็นสื่อเพื่อให้โอปบปาติกะช่วยได้นั้นอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของศีลนะครับเพราะถ้าไม่มีศีลการจะมีสมาธิก็เป็นไปได้ยากเพราะศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิ สำหรับคนที่รักษาศีลได้บริสุทธินั้นท่านว่าโดยพื้นจิตแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีสมาธิได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันและอีกเรื่องที่จำเป็นซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานก็คือเรื่องของทานการให้การสละที่ไม่ใช่แค่การให้วัตถุสิ่งของแต่หมายรวมไปถึงอภัยทานหลายคนฝึกสมาธิไม่สงบก็เพราะขาดพื้นฐานที่ดีนะครับแต่ถ้าพื้นฐานคือทานและศีลมีมาพร้อม ในเวลาปกติแม้จะไม่ได้ฝึกสมาธิจิตก็พร้อมจะเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าคนอื่นดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามพื้นฐานที่จำเป็นของสมาธิคือฐานและศีลที่ต้องทำให้ได้ก่อนและในระดับที่มากพอด้วยนะครับบทสรุป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 ก็จะได้รับผล3ประการดังที่กล่าวมาแล้วคือ 1. จะมีใจสบายอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือในเหตุการณ์ใดๆ 2. ส, สามารถเพิ่มภูนสมัติภาพให้แก่ตัวเองได้อย่างมากด้วยวิธีทางสมาธิ 3. จะมีศีลธรรมเกิดจากตัวเองเพราะฉะนั้น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 มีสติอยู่กับตัวมีวรทั้งห้ามิครอบงำในขณะนี้สติปัญญาจะว่องไวมากจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและลึกซึ้งและในเมื่อหมันเข้าสมาธิบ่อยๆพิจารณาถึงปัญหาต่างๆบ่อยๆความฉลาดรอบรู้จะเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วความแตกฉานรวมทั้งปฏิพานในการแก้ปัญหาต่างๆก็จะมีมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับความรู้เดิมด้วย 2. ผู้ที่มีสมาธิดีใจจะเกิดเป็นสื่อสามารถรับความคิดหรือการดวลใจจากโอปปาติกาที่ขอให้ความเชื่อยเหลือได้ง่ายสำหรับคนในขั้นนี้เป็นที่หวังได้อย่างแน่นอนถ้าหากเข้าสมาธิได้ดีคือถึงขั้นที่จิตใจสงบแจ่มใสนิวรณทั้งห้าไม่ครอบงำแต่คนอีกขั้นหนึ่งซึ่งสูงกว่านี้มากจะได้เฉพาะบางคนกล่าวคือ สามารถเข้าสมาธิไปติดต่อได้ด้วยตัวเองคือสามารถเห็นโอปปาติกาได้ด้วยและได้ยินเสียงที่โอปปาติกาพูดได้ด้วยสมรรถภาพอันนี้ถ้าใครได้ก็จะกลายเป็นอริยยะได้ง่ายแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิบากเดิมหรือปุเพกตาปุญญาตาในชาติก่อนด้วย จบเสียงอ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยะคุณชมรมผลดีเสียงง่านทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตนะครับและเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วนแนะนาให้ฟังงานของอาจารย์พรครบทุกเล่มซึ่งชมรมผลดีได้จัดทำไว้หลายเรื่องและจะจัดทาเพิ่มเติมต่อไปเท่าที่หาต้นฉบับได้นะครับ ขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้สุดาพรตรงสิริสุภกิจนิมมานรเทพนิชามาโซภากุญญาดาพุ่มพวงชาวนนท์รงพลพลพรอภิวัฒนาเสวีพรเพนหงรอนเพนนภาขันผงปัญญาโกจันรัตนีจันจรัตวัฒนาชยาภาอินมณีครอบครัวสินสมบัติรัตนอาภาอตโตหิสมัยเสด็จเจิมธนรดีอานาจหารกิจ วันรัตมุ่งอิงกลางไัยทูลจัน์เรืองร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะทานังธรรมะทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง